อาจารย์ครับก่าธรรมจั ก, กรครับผมเจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอ า, าจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่186นะครับอาจารย์ครับอตอนเข้ารายการพระอาจารย์ว่าเช้าคนใส่บาต ก, กันเยอะไหมครับช่วงนี้ครับวันนี้600คนอุ้ยวันนี้เยอะมากเลยครับเ600คนรงกับวันพระวันนี้เชิญกับวันพระ แล้วทั้งบ้านนีนประมาณสี่ร้อยกว่าโอก็พันหนึ่งพอดีมีคนทำบุญใช้บายพันหนึ่งตอนบ่ายคนฟังเทศพันหนึ่งตอนข้ามวันนี้คนฟังเทศอีกประมาณเกือบสองพันโอ้โหวันนี้วันนี้ได้โปรดสัตว์ได้โปรดสัตว์เกือบสี่พันโอ้โหเป็นชีวิตที่คุ้มค่ามากเลยครับวันเดียว ระบบอินเทอร์เน็ตนี่คงจะทําไม่ได้แบบนี้นะครับ 4,000 คนครับอาจารย์ครับขอกราบสาธุอนุโมทนาบุญครับอาจารย์ครับวันนี้วันก่อนผมเจอพระเจอคนไข้ครับพระอาจารย์บอกว่าเขาไม่อยากอยู่แล้วอยากตายก็เลยมานั่งนึกถึงเออเรื่องความตายก็น่าจะให้คนที่อยู่ได้ไ ด, ได้ได้ฟังบ้างแล้วก็เจอประจําเลยครับคนเดี๋ยวคนนู้นก็บอกเป็นมะเร็งคนนี้ก็เป็นมะเร็ง ก็เลยวันนี้อยากจะขอปัญญาพระอาจารย์เรื่องอ่าจะเตรียมตัวอย่างไรครับทั้งคนที่เป็นมะเร็งญาติญาติที่คนที่เป็นมะเร็งเตรียมตัวจะตายกันแล้วทํำยังไงดีครับเพราะพวกเราเจอกันทุกคนครับอาจารย์คือพวกเราที่มาเกิดเนี่ยการเกิดของพวกเราเนี่ยก็เป็นเหมือนกับการเข้าโรงเรียนเวลาเราไปเรียนโรงเรียนเราก็ต้องไปเรียนวิชาที่โรงเรียนเขาสอนเสร็จแล้วเราก็ต้องไปทําการบ้านเสร็จแล้วสิ้นปีเราก็ ปล้เทอมเราก็ต้องสอบกันเราจะเราจะรู้ว่าเราจะผ่านหรือไม่าการมาเกิดนี้ก็เป็นเหมือนการไปโรงเรียนของชีวิตชีวิตของพวกเราเวลาเรามาเกิดนี้เราก็มีการบ้านมีข้อสอบที่เราจะต้องทำอยู่สามสี่ข้อด้วยกันความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตาย การพลาดพลาดจากสิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารักการประชิญกับสิ่งที่เราไม่ชอบหรือบุคคลที่เราไม่ชอบเราจะสามารถผ่านเหตุการณ์อันนี้ไปได้โดยไม่ทุกข์ได้หรือไม่นี่คือข้อสอบของพวกเราทุกคนถ้าพวกเราตั้งใจศึกษาเรียนทำกันบ้านเราก็จะทําข้อสอบได้ แต่ปัญหาเกิดทุกคนที่เกิดมาไม่ได้คิดอย่างนั้นกันทุกคนคิดว่าเกิดมาเพื่อมาหาราบยศสารเสริญสุกกันก็ชีวิตก็พุ่งเป้าที่การไปหาราบยศสารเสริญสุกไม่ไปทำการบ้านไม่เข้าโรงเรียนเหมือนนักศึกษาแพทย์เนี่ยไม่ไม่ไปโรงเรียนไปไปทากิจกรรมนอกโรงเรียนนี้เดี๋ยวเวลาสอบปลายปี สินเธอมันก็สอบไม่ได้สอบตกถ้าเราอยากจะสอบอข้อสอบของชีวิตนี่ให้ผ่านได้โดยไม่มีความทุกข์กับมันเราก็ต้องศึกษาความจริงของชีวิตว่าร่างกายของเรานี่ธรรมชาติของมันเป็นอย่างไรพระเจาก็บอกว่ามันเป็นตายรับนะมันมีสามคุณลักษณะตายแป ล, ลว่าสามลักลักก็แปลว่าลักษณะ มีสามลักษณะด้วยกันหนึ่งคือมันไม่เที่ยง ม, <c oughs> มันมการมีการพัฒนามีการจเจริญเติบโตแล้วมันก็มีการเสื่อมไปตามตามวงจรของมันร่างกายทุกคนไม่ว่าจะร่ำจะรวยจะยากจะจนจะยหญ่จะโตหรือไม่ก็มีวงจรแบบเดียวกันเกิดแล้วก็จเจริญติบโตเป็นผู้ใหญ่อ จากผู้ใหญ่ก็มาแก่มาเจ็บแล้วก็มาตายกันอันนี้คือลักษณะอันแรกอันที่สองก็คือมันไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้มันไม่มีตัวตนมันเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งจะเรียกว่าชีวะตุ๊กตาที่แบบเป็นไบโอแล้วไบโอก็ได้คือทำมาจากออแกนิกของที่เป็นออแกนิกคือธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุนมธาตุไฟ มันเริ่มเกิดขึ้นด้วยการผสมธาตุสีของพ่อของแม่แล้วพอมันเริ่มเริ่มเ่มจะพัฒนาเริ่มเมจะโตขึ้นมามันก็มีธาตุรู้คือใจคือพวกเราเนี่ยเป็นพวกธาตุรู้ที่ส่งกระแสะวิญญาณมาเกาะติดกับร่างกายนี่เพราะเราอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาราบย่อมสลเสรสุขกัน ร่างกายก็จะค่อยเจรเิญเติบโตขึ้นมา ม, มีการปฏิสนธิเมื่อมีส่วนประกอบสามส่วนที่จะทําให้เกิดปฏิสนธิขึ้นมานั่นก็ส่วนธาตุธาตุสีของพ่อถ้าสีของแม่มารวม ก, กันแล้วก็พอจะเริ่มไปขอร่างสร้างโตขึ้นมาก็เป็นธาตุรู้คือเราพวกเราเนี่ยพวกพวกคิดรู้รูเนี่คือพวกเรามาร่วมสังกักรรมด้วยมันร่วมทำํำ ท ำ, ทำประโยชน์กับร่างกายนี้ร่างกายนี้ก็จะค่อยเจริญเติบโ ต, ต, ตแล้วสายธาตุสีของแม่ที่อยู่ในทองผ่านทางสายเสด็ก็จะสร้างอากาศสาสิบสองให้ครบชั่วหนึ่งเมื่ออาการสาสิบสองครบแล้วมก็ออกมาจากท้องแม่แล้วก็มาเติมธาตุต่อไปด้วยตัวเราเองแล้วก็ตัวร่างกายของเรา ก, ก็จะเติมธาตุเอง หายใจเองดื่มน้าเองรับประทานอาหารเองอก็ต้องอาศัยผู้ใหญ่ป้อนก่อนสอนก่อนวิธีเลี้ยงดูตัวเองไปแล้วก็ค่อยเจริญเติบโตขึ้นมาตามลาดับจนกระทั่งสามรารถดูแลตัวเองได้ก็พอดูแลตัวเองได้ก็ใจผู้มาครอบครองร่างกายนี้ผู้มาใช้ร่างกายนี้ก็สั่งให้ไปทำอาหารเาพื่อส่งเสริญสุขเพราะนี่คือเป็นเหมือนยาเสพติดของใจ ใจติดลาบยศเสริญ ส, สุขจึงต้องมีร่างกายเมื่อได้ร่างกายมาแล้วเมื่อร่างกายพร้อมที่จะตอบสนองตันหาความอยากใจก็ส่งให้ไปหาลาบยศเสริญ ส, สุขเสด็จแล้วก็เสดไปเรื่อยๆจนทังเมื่อเวลาที่เจอความแก่เจอความเจ็บและเจอความตายก็จะ ก, ก็เจอความทุกข์ขึ้นมาเียวการทัดทากจากลาบยศเสริญ ส, สุขก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา สำหรับคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านก็ศึกษาดูและทั้งายว่าความทุกข์ใจที่เกิดจากสิ่งเหล่านี้เราดับมันได้ไหมพระองค์ก็ส่งไปศึกษาจากนักบวชทั้งหลายเขาก็รู้จักวิธีดับความทุกข์ใจได้ในระดับหนึ่งก็คือระดับของสมาธิคือฝึกจิตทําจิตให้สงบและจิตเข้าชาญเข้าสมาธิความทุกข์เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตาย มาพัดพากจากกันมันก็ไม่ไม่เข้ามาในใจเพราะนั้นใจสงบแต่พอออกจากสมาธิมาพอเรื่อมมาสัมพันธ์รับรู้เรื่องของร่างกายความทุกข์ที่เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายก็ก่อยขึ้นอีกเวลาเอามานี่ไม่มีใครรู้วิธีว่าทําไงให้ใจไม่ทุกข์กับมันว่าไม่มีใครรู้วิธีพระพุทธเจ้าอะไรต้องค้นคว้าด้วยตนเองวิจัยวิเคราะห์ด้วยตนเอง ประเด็นิเศษคือคนพบว่าความทุกข์ของใจที่เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายนี้เกิดจากความอยากนี่ความอยากใช้ร่างกายเป็นนานๆแล้วความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเป็นใจใจก็คิดวา่าพอร่างกายเป็นอะไรไปใจก็จะเป็นอย่างนั้นไปกับร่างกายเวลาใจเวล่ร่างกายแก่เจ็บตายก็คิดว่าร่างใจจะแก่เจ็บตายไปด้วย ใจก็เลยเกิดความกลัวเกิดความทุกข์ขึ้นไม่อยากจะให้น่างกายแก่เจ็บตายแต่ศึกษาดูความจริงแล้วมันก็ห้ามไม่ได้ร่างกายของทุกคนมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนยินฟ้าอากาศเช่นมีฝนเนี่ยเมฆฝนเกิดตัวขึ้นมาจากการระเหยของน้ําขึ้นไปในอากาศแล้วจับตัวเป็นก้อนนมฆ และพออุณหภูมิมันเปลี่ยนไปมันก็จะทําให้ก้อนเมฆนั้นกลายเป็นฝนกลายเป็นน้ําแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนนร่างกายก็แบบเดียวกันเป็นการลุบตรงธาตุสี่แล้วนหนึ่งธาตุสีนี้ก็จะแยกตัวออกจากร่างกายนี้ไปน่างกายก็จะหายไปอนนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องศึกษาธรรมชาติของของร่างกายนี้ว่าเป็นอย่างนี้เป็นของไม่เที่ยง ไม่มีตัวตนมีวงจรของมันเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์นี้ไปเกิดจากการที่เราไปยึดไปติดไปหวังจะเพิ่งร่างกายอยากจะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาร่ำยศสารเสริญสุขไปเรื่อยๆแต่เราก็ห้ามมันไม่ให้แก่เจ็บตายไม่ได้พอมันแก่เจ็บตายใจก็ทุกข์ขึ้นมาทุกข์เพราะความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายนี่ท่านบูชาสมุ สรุปว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์กับร่างกายก็อย่าไปอยากมันอย่าไปอาศัยร่างกายอย่าไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือคือเือา่าข่าวความสุขจากรา่างนิสัยสละเสริญสุขห า, าความสุขจากการทําใจให้สงบนับจากความอยากต่างๆพอเวลาใจไม่มีความอยากใจจะสงบแล้วก็จะมีความสุขเวลาใจเกิดความอยากขึ้นมาความสงบก็หายไปความทุกข์ความเครียดต่างๆก็ตาม พุทธะก็เลยได้ข้อสรุปว่าการที่เราจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายก็คือเราต้องยึดติดการใช้ร่างกายเครื่อร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนั้นร่างกายจะเป็นอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีร่างกายโดยทําใจให้เราปราศจากความอยากต่างๆพร้พุทธยาก็เลยสมงคนพบความนิพพาน นิพพานก็คือจิตที่สงบปราศจากความอยากต่างๆและการจะหยุดความอยากต่างๆได้ก็ต้องเห็นตายลักในสิ่งที่จีอยากสิ่งที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจไปอยากได้นั้นมันเป็นตายลักทั้งนั้นนำมื่อเสอือเสือนศก็เป็นตายักร่างกายนี้ก็เป็นตายลักสภาพของความสงบของจิตก็เป็นตายลักคือฌานระดับต่างๆมันก็เป็นตายลัก ถ้าไปพึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือแห่งความสุขก็จะต้องเจอกับความทุกข์เวลามันเสือ่อมและไม่อยากจะเจอความทุกข์ก็อยากไปพึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือการหาความสุขให้หาความสุ ข, าสขจากการหยุดความอยากทั้งหมดนี้ให้ได้พอหยุดความอยากทั้งหมดนี้ได้แล้วใจก็จะสงบโดยธรรมชาติของมันเหมือนน้ําที่นิ่งไม่มีใครไปกระโดดกระโดดลงไปเล่นน้ำในสระน้ําก็จะนิ่ง ถ้ายังมีน้อกระโดดน้อาไปเล่นน้ําในสระว่ายน้ำในสระน้ามันก็จะไม่หนึตัณหาก็เป็นเหมือนคนที่ไปเล่นน้าไปกระโดดน้ําเอาไปกระโดดครับมันก็ทําใจให้กระเพื่อมขึ้นมากระเพื่อมด้วยความกังวลกังววายกระศัพท์กระส่ายด้วยคํามรำคาญเงียบความว้าเหวะคําเศร้าหมองอะไรต่างๆนี่มันก็เกิดขึ้นตามมาพอกำจัดความอยากได้ด้วยปัญญานี้ยมันก็ทําให้ใจไม่มีตัวมาเกาะกลัวใจต่อไป ใจก็จะสงบไปอย่างท่าวรนนิพพานพอใจสงบอย่างนี้แล้วใจก็ไม่เดือดร้อนกับร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรยังสัมผัสรับรู้อยู่ยังแก่ยังรู้ความแก่อยู่ยังรู้ความเจ็บอยู่ยังรู้ความตายอยู่แต่ใจไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับมันเป็นเหมือนหวดน้ำบนใบบัวต่างฝ่ายต่างอยู่กันไปร่างกายก็อยู่ของมันไปแก่เจ็บตายก็เรื่องของมันไปใจผู้รู้ก็รู้ไปเฉย ไม่มีความอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทุกข์ก็จะไม่เกิดเนี่แหลคือสิ่งที่เราต้องมาศึกษาทําการบ้านแล้วก็ไปทําข้อสอบกันถ้าเราทําข้อสอบเหล่านี้ได้เราก็ผ่านเราก็จะไม่ทุกข์เวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บเป็นโรคมะเร็งหมอบอกว่าอยู่ไม่ได้อ ย, อยู่ได้แค่สามเดือนหกเดือนแล้วระหว่างอยู่ก็ต้องเจอความเจ็บปวดต่างๆของร่างกาย คนหนึ่งอยากจะฆ่าตัวตายกันแต่การฆ่าตัวตายมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาปัญหาอยู่ที่ตัณหาความอยากที่มีในใจฆ่านั่งกายตายไปตัณหาความอยากใ น, ในใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็จะไปสร้างพบใหม่ไปสร้างร่างกายใหม่แล้วก็ไปฆ่าตัวตายใหม่อีกว่าเวลาเจอกับปัญหาแบบเดียวกันวิธีแก้ก็คือต้องมาแก้ด้วยการศึกษา ธรรมชาติของร่างกายว่ามันเป็นอย่างไรแล้วดูว่าปัญหาเกิดขึ้นจากอะไรก็จากความอยากความอยากให้ร่างกายอยู่เป็นนานๆซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็เป็นไปไม่ได้พอเจอความแก่ความเจ็บความตายก็เลยทุกขขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากหยุดการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ ต้องต้องปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาต้องต้องต้องเป็นศีลเพราะอะไรศีลจะได้ทำให้เราเออมีเวลาไปปฏิบัติคือนี่ก็คือศีลของนักบวชศีลแปดขึ้นไปยุติการหาราบยศรเสริสุขหาความสงบทางตาหูจมูนกน <S <S ิ้วกายเปลี่ยนวิธีมหาความสุขจากการทำใจให้สงบด้วยสติด้วยปัญญา ถ้าทำมีสติมีปัญญาก็จะสามารถระ ง, งับความอยากสติก็รับความอยากชั่อข่าวเข้าไปในสมาธิถ้าเป็นปัญญาก็ทําให้สงบอย่างถาวรด้วยการกําจัดความอยากต่างๆสติไม่กําจัดไ ม, ไม่ได้กําจัดความอยากเพียงแต่ห้ามหยุดความอยากไว้ชื่อข่าวอันนี้ก็คือวิธีการที่เราจะทําให้ข้อสอบของเราผ่านไปถ้าเรามีสติมีปัญญา สามารถก็กลุ้มใจให้นิ่งเฉยให้เป็นวางโมดเดิร์าได้ยอมรับความเป็นจริงของของร่างกายว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันไม่ใช่ตัวเราของเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้แต่เราห้ามใจเราไม่ให้ไปทุกข์กับมันได้ด้วยการหยุดความอยากต่างๆที่มีในใจเราอยากไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์ อาจารย์ครับแล้วถ้าคนไม่เคยฝึกมาเลยไม่นใชัยวันนี้เหลืออีกหกเดือนที่ฝึกทั น, นะครับท่านพระพุทธเจ้าไปสอนพ่อเจ็ดวันก่อนตายก็ได้ไว้มีโคดดีๆแล้วเชื่อฟังโคดครับมียังผู้หญิงคนหนึ่งก็เป็นมาเรกแล้วก็คั้นสุดท้ายเธอก็ไปขออยู่กับหลวงตาคุณเผาไงาไปขอฝึกจิตก็อยู่กับหลงตาประมาณสามสี่เดือนด้เง น, น ดวงตางก็กเป็นโค้ชอ่างดีอุตสาห์ไปสอนแทบทุกคืนเลยสอนวิธีพบปฏิบัติกับความแก่ความเจ็บความตายด้วยธรรมด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาเรนั้นคนคนครขคนใข้ต้องต้องยินดีรับการรักษารับการหรือเป็นทั้งเดก็ต้องยินดี ก, ก, ก, นดนนดกับการศึกษากับจากคูบาอาจารย์ ครบาอาจารย์สอนให้ทำอะไรก็ต้องทำตามทุกอย่างก็สามารถบรรลุได้พอพระเจ้าก็บรรลุเจ็ดวนก่อนตายครับอาจารย์ครับเราเป็นไปได้ไหมครับว่าไอ้โรคภัยไข้เจ็บกลับทําให้เกิดปัญญาแล้วบรรลุช่วงที่ป่วยหรือช่วงที่ไม่ป่วยไม่เคยสนใจเลยพอป่วยขึ้นมากลับมาบรรลุได้เป็นอย่างนี้ได้ก็ได้นะก็ถึงไปคนที่ป่วยถึงไปหาพระกันนะแล้วไม่ป่วยก็ไป ไปเที่ยวกันใช่ไหมครับพอป่วยมันไปไหนไม่ได้ก็ต้องไปหาพระเพราะใจมันเครียดอืมครับเพราะว่ารู้ว่าพระนี่เป็นผู้ที่จะสอนให้เรารับดับความทุกข์ความเครียดต่างๆได้ก็ต้องมาหาวัดกันในที่สุดเพราะ่ะนั้บ่ทุกข์บ่มีปัญญาบ่าเกิดเนี่ยถ้าไม่มีไฟก็จะไม่ไปหาน้ํามาดับไฟใช่ไหม ข้างล่าให้ไฟมันบ้ายบ้านกนว่านเราต้องรีบไปหาไฟหาน้ำมาดับไฟเขาตัวโทรศัพเรียกรถดับเพลิงมาถ้าปกติบ้านไห ม, ม, ม้จะไปเรียกรถดับเพลิงมาก็ไม่ได้เดี๋ยวก็จะหาว่าบ้าแต่คนฉลาดนี่รู้ว่ามันจะต้องเกิดไฟไหม้ลุกหน้าไว้ก่อนก็ไปเตรียมเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ก่อนดีกว่าพอเวลาเกิดไฟปุ๊บไฟไหม้เมื่อไหร่เพืกก่อจะดับได้ดทันทีเลยอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพอท่านเห็นคนแก่คนเจ็บคนตาย น, นักบวชเนี่ยนะเพราะท่านเห็นอนาคตของท่านเลยชัดเจนลนะว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทางออกก็ต้องไปเป็นนักบวชไปศึกษาวิธีดับความทุกข์ที่เกิดจากการแก่การเจ็บการตายแต่เรื่อรานี้มันไม่ฉลาดในไหนก็ไม่รู้สึกอะไรเลยพูดถึงความแก่ความเจ็บความตายเมื่อกี้เล่าก็รู้สึกเฉยเยไม่รู้เรื่องไม่ไม่สนุกไม่มีความรู้สึกอะไรเลยแปลกนะ เขาไม่รู้จะว่ายังไง <g waves> ก็ยังทำงานชีวิตแบบเดินอยู่มันต้องให้ไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นมะเรนะ็งแล้วขั้นสุดท้ายแนละ้วดีนย้วิ่งเข้าหาพรนะแล้วเข้าหาวัดกันแนละ้วมีคนที่เข้าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายนี้มาม า, มาศึกษาหลายคนด้วยกันแล้วก็ตายไปนะจากที่มาศึกษาเป็นไม่น่านกี่วันก็ตายไปก็มีที่มาหาพระจารย์ก็เยอะใช่ไหมครับ <g waves> ก็ไม่ได้นำเลยกก็มีบ้าง <g waves> วันเดนี้ก็มีคนหนึ่งมาเพิ่งเสียชีวิตเมื่อเมื่อต้นเดือนธันวาเ น, นี่ยที่ผ่านมาเนี่ยแต่ท่านก็มาปฏิบัตินานหลายหลายปีแล้วหลายเดือนหลายปีแล้วมาอยู่เป็นประจําำขอบพระคุณพระอาจารย์ครับยิ่งถ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติ่วงหน้าก่อนเนี่เวลาต้องทําข้อสอบมันก็จะง่ายโอกาสที่จะเลื่อนลาผ่านความทุกไปได้มันก็จะมีมากกว่า คนที่ไม่ฉิดกับการปฏิบัติการศึกษาก็เหมือนกับคนขึ้นเวทีแบบที่ไม่ไ ม, ไม่ได้ซ้อมมาก่อนเนี่ยพอไปเจอคู่ต่อสู้ก็ไม่รู้จะสู้เขาอย่างไงถูกเขาถูกเขาต่อยอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถะ้าอยากจะไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายรีบศึกษาแล้วรีบซ้อมทําการด้านดูว่าฝึกเป็นคนแก่แล้วเราอยู่แบบคนแก่ได้ไหม ทวิธียอยู่แบบคนแก่ก็ลองไปอยู่บ้านคนชราดูเลยดอสว่าคนชราเขาทําอะไรกันบ้างวันวันหนึง่งแล้วก็อยู่แบบนั้นดเพราะต่อไปเราก็ต้องไปเป็นคนชราใช่ไหมก็ต้องอยู่แบบคนชราอยู่จะไปทําแบบคนหนุ่มคนสาวเขาทำกันไม่ได้จะทําได้บะ้ะทําใจได้บ้างงั้นถ้าอยู่แบบคนเจ็บก็ไปโรงพยาบาลอยู่คนเจ็บก็อยู่ไปดูในห้องไอซียเป็นยังไงแล้วเราเราจะรับกับสภาพนั้นได้ไหม แล้วก็ไปดูงานศพก็ได้นเผื่อเวลาตายแล้วลงไปนอนอยู่ในหลงศพได้ไหมให้ภาพมาสวดกุศลาได้หรือเปล่าวันนี้เป็นวิชาที่ค่อนข้างจะหนักหน่อยนะแต่ต้องเจอแน่ครับอาจารย์ทุกคนเ้นวิทยาศาสตร์ด้วยกันชีวิตของเราเปเมือน <f> เป็นเหมวิชายอย่างหนึ่งที่เราต้องศึกษาเราชอบสอบตรกแล้วกลับมาซ้ําชัช้นหรือเรื่อยเกิดแก่เจ็บตายแล้วก็กลับมาเกิดแก่เจ็บตายหรือเรื่อยก็ต้องสอบตรกกันถ้าเราสอบผ่านแล้วเราจะไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปพระพุทธเจ้าพระลานตาสาบองว่าท่านสอบผ่านนะถ้าไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไป ขอบคุณพระอาจารย์ที่ให้ปัญญาพวกเราครับจะบอกเพื่อนๆทางทิกต็อก็สามารถจะส่งคําถามเข้ามาได้แล้วนะครับปัญญาเนี่มันเป็นยาขมนะถ้ายาหวานมันมันไม่มันเช่นมันไม่ค่อยรักษาโรคได้เท่าไร่มันเหมืกับยาขมแต่แต่ได้ยาขมพวกนี้แล้วรู้สึกมันรู้สึกมันเบาขึ้นนะครับอาจารย์ตัวมันจะเบาขึ้นหน่อยนึงครับ เนน้อพอจะรู้ช่องทางแล้วเพื่อเราจะเอาไปทำให้มันเกิดเป็นผลขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับโอกาสพระอาจารย์ถามถามจากเพื่อนๆครับคนหน้าที่ทำงานเป็นคนธรรมะมากฟังธรรมะทุกวันใส่บาตรทำบุญทำทานบ่อยมากแต่มีความสัมพันธ์กับภรรยาชาวบ้านเรียนถามพระอาจารย์ว่าข้อที่หนึ่งควรตักเตือนให้เขาเห็นในบาปหรือควรวางอุเบกขาปล่อยให้เป็นเรื่องของเขาไปครับ น้อนไปเกี่ยวข้องอะไรกับเขาหรือเปล่าอยู่ดีๆเราจะไปตักเตือนเขาได้ยังไงถ้าคนอื่นเขามาตักเตือนเราบ้างเราจะคิดยังไงข้อที่สองครับแบบนี้ถือว่าหัวหน้าเป็นคนบุญหรือเป็นคนบาปครับก็มีทั้งบุญมีทั้งบาปเขาทําุญเขาใส่บาปเขาก็ได้บุญแต่เขาไม่เขาทาปิดเสียงเ้าก็ได้บาปคนเราบทียังยังมีการผสมอยู่มีทั้งบุญมีทั้งบาปสลับกันไป ขอแนวทางนั่งสมาธิเบื้องต้นครับจับลมหายใจไม่ค่อยได้มันเบามากมันมีวิธีอื่นอีกไหมครับคือวิธีแรกที่ต้องทมก็คือสติถ้าไม่มีสติไม่ว่าจะนั่งด้วยวิธีไหนก็นั่งไม่ได้เพราะใจมันจะฟุง้งเนี่ยต้องฝึกสติทั้งวันก่อนระหว่างวันตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนถึงลราหลับเนี่ยให้ฝึกสติเช่นให้บริกรรมพุโทโธไปเรื่อยๆในใจเรา เอาลืมตาขึ้นก็พูดทัวพูดทอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือถ้าเราจะใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้เอลืมตาขึ้นมาก็มองดูว่าตอนนี้ร่างกายเราอยู่ในท่าไหนท่านอนพอเปลี่ยนท่าจากท่านอนแล้วขมานั่งก็รู้ว่ากําลังนั่งกําลังยืนกําลังเดินไปเข้าน้ํากําลังไปอาบน้ํากําลังแปลงควันกําลังทําอะไรก็ให้อยู่กับร่างกายไปทุกวิริยาบทอันนี้เป็นการเจริญสติเพื่อ นึ่ใจไว้ไม่ให้ไปคิดเรื่งราวต่างๆพอเรามีสติแล้วเวลามานั่งเลยเราสามารถเลือกได้จะดูลมหายใจก็ได้ถ้าเรามีสติแล้วเราจะดูลมเราก็จะให้อยู่กับลมได้เพราะทั้งทั้งวันมาเราก็ให้มันอยู่กับร่างกายอยู่แล้วเพียงแต่เปลี่ยนจากการร่างกายมาดูที่กลมหายใจแทนนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ทํามาก่อนเนี่ยพอเราปล่อยให้ใจลอยไปลอยมาพอมันถึงเวลานั่งดูลมมันก็มองไม่เห็นลม ว่าใจมันจะลอยเป็นเรื่องหาเรื่องนั้นหาเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ตลาเวลายังต้องฝึกสติก่อนถึงจะนั่งสมาธิได้ทำไมเวลาเดินจงกรมทำจิตว่างไม่คิดอะไรเลยดูแค่อริยาบทไม่ก็ฟังสวดมนต์โฟกัสเสียงแต่ยังหลบหมดระมัดระวังหกล้มได้เป็นประสาตอัตโนมัติที่รวดเร็วหรือสติสัมปชัญญะครับ แต่ละคนมีประสาทวัยต่างกันไหมครับก็แล้วแต่ละคนอาจจะมีมีมีอะไรที่ต่างกันปฏิกริยาต่อสิ่งใด ต, ต่างก็อาจจะมีต่างกันได้กําลังของสติก็มีมีเหตุเป็นเป็นผลอย่างหนึ่งถ้ามีสติมากก็จะเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนนี่แสดงว่าเผยสติอเดินไปแล้วไม่เห็นนมาเห็นตอนที่มันใกล้แล้ว มันก็สว่างสติเรายัางไม่ต่อเนื่องล้วสติเราไหวให้ใจไปที่อื่นไม่ได้อยู่กับการเดินตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกสติให้มากๆถ้ายังอยากจะสวยอยู่อยากทําสัลยกรรมอยู่แบบนี้เป็นบาปไหมครับก็เป็นความหลงความหลงที่ไม่รู้ว่าความจริงของร่างกายนี้มันไม่สวยไม่งามหรอ มันเป็นของที่มีของที่ค้าหน้าขยะขย่างซ่อนไว้อยู่ภายใต้ผิวหนังนั่นเองแล้วนี่กระเป๋าสวยๆในกระเป๋ามีเด่ขยะวิแอุจจาระแต่มองไม่เห็นครับภายในกันก็ไว้หลงติดอยู่กับภายนอกไปติดอยู่กับกระเป๋ากระเป๋าที่ใส่ของสกปรกทัางหลายไว้ในกระเป๋าแล้วก็ไป เสริมามงามของกระเป๋าให้มันดูสวยงามเห็นแล้วก็ห ล, ลงหลงไหลไปกับกระเป๋าแต่พอปล่อยกระเ ป, าเป๋าขึ้นงานเท่านั้นนะโอ้ยผ ง, งาดเลยมีแต่ของสกงปรกในชะ่ไหมไม่มองไม่มองภายในแสดงว่าหลงมากคนที่หลงร่างกายว่าสวยมากงามนี่เป็นคนที่หลงกูตาบอดคนที่สองเตะ วินาทีเฉียดตายภาพกรรมในอดีตจะย้อนกลับขึ้นมาจริงไหมครับแปลว่าถ้าเราสะสมกรรมดีแปลว่าจิตสุดท้ายก็จะไปดีใช่ไหมครับถ้าทำกรรมดีมากกว่ากรรมไม่ดีกรรมดีก็จะพาไปถ้ากรรมดีน้อยกว่ากรรมไม่ดีกรรมไม่ดีก็จะพาไปส่วนก่อนตายนี้จะเห็นอะไรหรือไม่เห็นอะไรนี่ก็แล้วแต่ละคนเพราะเรายังไม่ยตอนที่เรายังไม่ตายเราจำไม่ได้ชาติก่อนเวลาตายเห็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ การสวดมนต์เป็นการน้อมระลึกถึงพระมรตนาไตรสวดบทบาลีต้องสวดแปลด้วยไหมครับคือตอ้องเข้าใจเป้าหมายของการสวดมนต์ก็คือการเจริญสติการฝึกสติฉะนั้นเราจะสวดบทไหนจะแปลหรือไม่แปลก็ไม่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญก็คือขอให้เราอยู่กับการสวดมนต์จนทําให้เราไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เท่านั้นเองนี่คือการเป้าหมายของการสวดมนต์แต่ถ้าเราอยากจะเ้า จะรู้ความหมายของบทสวดมนต์แล้วก็ไปอ่านคำแปลได้พราบทสวดมนต์ก็มักจะเกี่ยวกับเรื่องพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณหรือเกี่ยวกับคาสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าถ้าเราเข้าใจความหมายเราก็จะได้ปัญญาความรู้คุณสมพรครับนั่งสมาธิก่อนนอนแต่นั่งได้ไม่นานนั่งได้เท่าที่ใจอยากจะนั่งแต่รู้สึกตอนนั่งเหมือนจิตใจผ่อนคลายเหมือนหลังสารคบความสุขเอน นิบลาลีนอย่างนี้ถือว่าเป็นปฏิบัติถูกแล้วใช่ไหมครับก็ถูกนิดหนียวงนั่งาหลับมันนั่งเขาต้องได้สมาธิจิตต้องรว้สงบเป็นสมาธิได้บวเบกขาขึา้นมานี่นั่งสมาธิไปได้ไม่นานก็นอนก็ได้นิดหน่อยยังไม่พอเพียงต่อการที่จะเอาไปสู้ต่อสู้กับกิเลสตัณหาหยุดความอยากต่างๆได้ นั่งสมาธิอย่างไรให้ใจมันสงบครับใจชอบหลุดไปที่อื่นครับนั่งแบบมีสติไงถ้าหลับไปไม่สติใจก็ลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามีสติอยู่กับพุโทโธพุโทโธไม่ไปไหนเลยเนี่ยมันก็จะคิดเรงนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เนื่อยู่กับลมหายใจทุกขณะเลยมันก็จะไปไม่ได้แต่ถ้าไม่มีสติแล้วนั่งดูพุโทโธได้สองคำก็หายไปนวพุโทโธใจก็ไปคิดอย่างนั้นรย่างนี้นะหรือดูลมได้สองสองสามคำแล้ว่า หายไปล้ไม่ได้ดูลมละลอยไปกับความคิดตา่างๆนะอย่างนี้ซื้อแสดงว่านั่งแบบไม่มีสติการจะนั่งแบบมีสติได้ต้องเจริญสติมาให้ก่อนที่เรามานั่งเจริญสติในระหว่างวันทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับมีจิตตะกรชาวไต้หวันมีความพร้พรอมสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจค่าตัวตาย เพราทรมานจากโรคภัยจากปัญหาสุขภาพทุกทรมานมากเมื่อพบเจอปัญหานี้ควรทําใจอย่างไรครับทําใจเฉยๆปล่อยวางยอมรับสภาพความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วก็เราไม่ได้เป็นมันเราเป็นเพียงแต่ผูร้รู้เราก็รู้ไปเฉยๆแยกตัวเราออกจากร่างกายให้ได้อย่าไปทุกข์กับร่างกายอย่าไปอยากให้ร่างกายมันไม่ตายไม่เจ็บความอยากนี้ที่จะไม่ใจทรมาน ถ้าไม่มีความอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไม่ตายแล้วใจจะไม่ทรมารใจจะอยู่ความเจ็บอยู่กับความตายได้อย่างสบายมดที่อยู่ในข้าวสารแล้วเราซาวข้าวมดตายไม่ได้ตั้งใจครับมดตายนี้บาปไหมครับเห็นหรือเปล่าเห็นถ้าเห็ น, ถ, หนถึงแม้จะไม่ได้ตั้งใจมันก็เห็นนะมันแสดงว่าตั้งใจอยู่ดีถ้าไม่รู้จริงๆว่ามันมีมดอยู่ ก็ทำไปโดยไม่มีความความรู้ไม่มีความตั้งใจก็ยังไม่บาปแต่มันก็ยังมีความเสียหายกับมดอยู่ไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ป่วยหนักใกล้เสียชีวิตซึ่งไม่เคยฝึกเจริญสติมาก่อนถ้าแนะนำให้เขาภาวนาพุทโธพุทโธหรือดูลมหายใจจะทันการไหมครับเรายืนดีๆไปแนะนาเขาได้ยังไงเขาอยากจะให้เราแนะนำหรือเปล่าใช่ไม ก่อนที่เราจะไปแนะนําใครเราต้องดูก่อนว่าเข า, เขาอยากเขาอยากจะให้เราแนะนําหรือเปล่าการพัดพลาดจากบุคคลอันพิรักมีแต่ความทุกข์จะขอคำแนะนําจากผู้อาจารย์ครับนี่นหละก็ต้องมาเรียนให้รู้ความจริงว่าเราต้องมีการพัดพลาดจากการเป็นธรรมดาแล้วพยายามน้อมใจให้ยอมรับความจริงอันนี้ได้พอรับความจริงอันนี้ได้มันก็ไม่ทุกข์ถือเป็นเรื่องธรรมดา เมืนกับเรารู้ว่าเราต้องพัดผ้าจากดวงอาทิตย์ทุกวันเนี่ยทุกเช้ามันก็ขึ้นมาแล้วเย็นมันก็ตกหายไปเรารู้ว่ามันก็ต้องมีการพัดผ้ากันพอเรารู้เราก็ยอมรับความจริงได้แล้วก็ไม่ทุกแม้กระทั่งน้ําท่วมนี่เราก็ไม่ค่อยทุกข์กันเท่าไหร่ทางใจยอมรับว่าน้ํามันต้องท่วมพอเรายอมน้ำได้เนลามันท่วมเราก็ก็ต้องอยู่ไปทําใจอยู่กับมันไป การลดอัตราด้วยการมองตัวเองเป็นดินโยอมขอคําแนะนําเพิ่มเพราะพยายามแต่ยังไม่เข้าถึงจิตยังมีอารมณ์กระทบโกรธตอนโดนตําหนิหรือดูถูกขอความให้ตาพระอาจารย์ครับก็แสดงว่าเราไม่ได้ถือว่าเราเป็นดินจริงยังไม่คิดว่าเราเป็นดินจริงยังต้องเชื่อเราเป็นดินจริงใครจะเหยียบใครจะย่ำดินเราไม่โบหมเราไม่โกรธเราก็ต้องฝึกสอนใจให้ทําอย่างนั้นไป ให้มันเป็นดินจริงๆตอนนั้นยังไม่เป็นดินเพราะมันยังมันยังต่อต้านอยู่หรือยังไม่รู้จักวิธีทําให้มันเป็นเป็นเหมือนดินยังไงแล้วก็ศึกษาดูดินเยดินเวลาใครเขาปัสสาวะใส่ดินมันโกนไหมมันมีกรมันปฏิกิริยาอะไรหรือเปล่าเวลาใครเขาไปขุดดินเอไปทําอะไรกับดินดินมีปฏิกิริยาอะไรไม่ไม่มีเพราะไม่เหยียบย่ำได้ตลอดเวลา เราก็ต้องฝึกคิดแบบว่าเราเป็นดินใครจะเหยียบเราก็บล่อยเขาเหยียบไปใครก็จะทําอะไรเราก็ปล่อยก็ทําไปแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์อาจารย์ครับแต่ถ้ารู้สึกได้ขนาดนั้นนี่ก็คือเกินอนาคามีไปแล้วใช่ไหมครับไม่รู้ว่าอาจารมันจะเกินก็ไม่เกินก็ไม่รู้ว่าอนณาคามีนี้ยังมีมานะอยู่เลยใช่ไหมครับอาจารย์ยังมีอยู่ ไม่ค่อยอยากจะไปคิดเกี่ยวเรื่องขั้นต่างๆว่าเดี๋ยวมันจะสับสนไงเดี๋ยวไปดองประเด็นกับขั้นเอาประเด็นที่ว่าเราอยากไปทุกข์กับมันก็แล้วกันก็พอมอยู่ขั้นไหนก็ไม่เป็นไรเป็นจิตเวทนะครับต้องพูดมุสาเป็นบางครั้งทั้งที่ไม่อยากพูดถ้าพูดความจริงก็จะเกิดความขัดแย้งควรจะทําอย่างไรครับก็ไม่พูดเลนิ่งเฉยๆไว้เนี่ยยังเป็นจะต้องพูดอะไร ก็บอกข อ, ขออนุญาตผ่านไม่ไม่ขอตอบไม่มีคอมเมนต์อะไรก็ว่าไปสุขและทุกข์ที่ผ่านมาทำให้ใจต้องเป็นทุกข์แต่ใจที่มีสมาธิควบคุมไว้จะทำให้ผ่านไปได้ในช่วงนั้นๆแต่หากจะสามารถวางเฉยได้จริงๆต้องอาศัยวิปัสสนาปัญญาเข้าช่วยใช่ไหมครับ <S <S 2> <S 2> เพื่อตัดความอยากลดความอยากในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นให้ใจลูกเข้าใจถูกต้องไหมครับ ใช่เพความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจถ้าเราใช้สมาธิเราก็เพียงแต่กดความอยากไว้ชั่วคราวมือนเม่ตายแต่ถ้าเราใช้ปัญญาไม่ปรสชนาเราก็จะเห็นโทษของของความอยากแล้วเราก็จะไม่ไม่ไม่ไม่อยากต่อไปอย่างท้าวอเพื่อนร่วมงานกับญาติพี่น้องชอบนิ่มทาคนอื่นเราควรจะทําอย่างไรครับก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรา เราก็อยู่ของเราไปเราก็อย่าไปทําตามเขาก็แล้ว ก, กันเวลานั่งสมาธินา น, านมีบางครั้งรู้สึกเราไม่มีลมหายใจแบบนี้ไปถูกทางหรือไม่ครับเขาฝึกเองครับใช่ว่านั่งแบบไหนถ้านั่งดูลมมันจะรู้ตลอดเวลาถ้าไม่ดูลมนี่เราก็ไม่รู้นั่งแบบไหนลองเิดดูแล้วเห็นไหทีนั่นั่งต้องมีสติถ้ามีสติมันต้องรู้ลมตลอดเวลา ถึงแม้ลมจะหายก็นดดวดลมหายไอเหนื่อยง้างระบอกลมหายไปเดินมารู้สึกตัวเลยก็สแสดงว่ามันไม่มีสติ ด, ดูลมอยู่ตลอดเวลารักษาให้กั บ, บกรีบให้มีสุขภาพดูแข็งแรงแล้วไปใส้เจ็บหนาะผู้ถือสีลผู้ที่เบียดเบียนชิงอื่และมีเมตตากรุณาต่อสัตว์นี้คุดที่ดีที่หลายคอไม่รู้ขอพระอาจารย์ช่วยขยายความเพื่อเป็นประโยชน์ ครับคือการจิตศีลไม่เบียดเบีย น, นกันนี้มันไม่ได้มาเอามาชาตินี้เราจะมีสุขภาพดีแข็งแรงมันอาจจะเรียนรู้สูงจากชาติก่อนถ้าเราไม่ได้ถ้าเรามีสีล้ราไม่เปบียดเบือนไครชาตินี้วิบากกรรมที่ที่เกิดจากการทํำบาสมันก็จะไม่เกิดขึ้นมันก็จะทําให้เรามีชีวิตสุขภาพที่ดีแข็งแรง แต่การมีีนี่ไม่ได้ไหมาควับ่าจะป้องกันไม่ให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นไปไม่ได้ภาพก็ยังมีโรงพยาบาลสงเลยงั้นมีไว้ทำไมอคอารมณ์หลุดบ่อยมากครับจะควบคุมอย่างไรดีคือมันมีแรงกระตุ้นครับมันจะนังสติบ่อยๆมันริกรรมพุทธโทบ่อยๆ หนูจะบาปไหมครับฟังทําทีไรหลับทุกทีครับรู้สึกเบาเพลินสบายเลยหลับครับไม่เป็นบาปหรอแต่ไม่ได้มุนไม่ได้ปัญญาไม่ได้ความรู้ขอถามว่าเวลาที่ไปทําบุญที่วัดพระอาจารย์ยะถาแล้วเรากดน้ําวิธีไหนถึงจะถูกต้องครับคื อ, อวิธีที่ถูกต้องไม่ต้องมีผ้ามายะถา มันไม่เกี่ยวกันการอุทิศบุญนี่เราสามารถอุทิศได้ทันทีหลังจากที่เราทําบุญแล้วแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ําด้วยไม่ต้องให้พระส่วนด้วยเพียงแต่เราลึกภายในใจว่าขอทิขออุทิศบุญส่วนนี้ให้กับผู้นัน้นผู้นีนเ้เธอที่ลงรับไปแล้วก็เสร็จก็สําเร็จแล้วสามีเสียชีวิตกระทันหันแบบเสียต่อหน้าในชีวิตไม่เคยคิดถึงมรณ า, านุสติจนกระทั่งได้พบเจอกับตัวเองจนสติแตก ตอนนี้หันเข้าหาธรรมะมากขึ้นและเจริญมรณานุสติตลอดครับใช่เพราะว่าถ้าเราคอยคอยเตือนใจว่าเราจะต้องเจ อ, อความตายเนี่ยพอเจอความตายแล้วมันก็ไม่เสียสติมันก็จะควบกลุ่มใจได้ ย, นะยังอยู่ในวัยทํางานอยากจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานถือว่าเป็นกิเลสไหมครับแล้วควรจะวางใจอย่างไรครับเป็นก็ คิดถึงความตายบ้างเสียว่าเราอาจจะตายวันไหนก็ได้แล้วเราเวลาตายไปนี้เราว่าไม่สามารถเอาอะไรต่างๆที่เราหาผ่านทางร่างกายไปได้เลยแม้แต่นิดเดียวเราไม่คิดว่าเราจะเปลี่ยนการหาสิ่งของที่เราติดตัวไปได้บ้างเลยใช่วันนี้ก็เทศน์เรื่องบุญบารมีสิบประการบ <c oughs> ุญบารมีนี้เราสามารถเอาติดไปกับใจเราได้ ก็จะเป็นที่พึ่งของใจเป็นผู้ที่จะผลักดันให้เราพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นต่อไปในพบต่อตอไปได้นั่งสมาธิในป่าคนเดียวแล้วรู้สึกกลัวว่าจะมีสัตว์ป่าย่องมาข้างหลังทําให้นั่งต่อไม่ได้ควรปฏิบัติเพื่อขจัดความกลัวอย่างไรครับก็มีสองวิธีวิธีแรกก็ใช้สติหยุดความคิดหยุดความกลัวด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธเพราะเราหยุดความคิด เกี่ยวกับความกลัวได้ความกลัวนั้นก็จะหายไปอาจจะหายหเป็นชั่วคราวพอเรากลับมาคิดใหม่มันก็จะกลัวขึ้นมาได้ถ้าอยากจะให้กลัวอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาให้กลัวอย่างถาวรก็ให้ใช้ปัญญาเรายอมรับความจริงว่าร่างกายของคนเราทุกคนเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายวันใดวันหนึ่งถ้าจะต้องตายในวันนี้ก็ยอมให้มันตายถ้าเรายอมให้ตายได้แล้วตาเราก็จะหายกลัวไปตลอดชีวิตไป นั่งเพ่อตวันนั้นไปเราจุดความวกลัตายมันจะไม่มีอีกต่อไปถ้าเรายอมตายโดยเฉพาะเวลาที่คิดว่ากาลังจะตายแล้วยอมตายแต่ถ้าตอนนี้เรานั่งคิดว่ายอมตายมันยังไม่จริงเพราะยังไม่มีความตายมาพิสูจน์มามาพิสูจน์ว่าเรายอมจริงหรือไม่แต่ถ้าเราเรานั่งอยู่ในป่าแล้วเราคิดว่ากําลังมีเสือกําลังเข้ามาทางข้างหลังเราเนี่เร า, าอ้าไม่หันไ ม, ม, นม่มองมันนะยาวให้มันจะกัดนี่คืยอมตายไปเลย ถ้ายอมจริงๆแล้วใจจะสงบใจจะปล่อยวางแล้วใจจะหายกลัวถ้าเรานั่งหรือนอนฟังสวดจิตจะจดจ่ออยู่กับการฟังนี้ถือว่าเป็นการนั่งสมาธิไหมครับก็เป็นการทําสมาธิได้ในท่า น, นอนก็ได้เช่นคนบางคนไม่สบายลุกขึ้นมานั่งไม่ได้จะนอนฟังก็ได้แล้วโอกาสที่จะได้ประโยชน์มันอาจจะน้อยกว่า การนั่งว่าเวลานอนมันสบายมันอาจจะหลับไปเสก่อนก่อนที่จะได้สมาธิมนุษย์เราไม่มีใครจะดีเลยมีแต่บาปแล้วเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ชั่วนิรันดรหรือครับก็หยุดได้ไงอยู่เที่พรายเรามาเวียนว่ายตายเกิดด้วยการไม่บวชด้วยการปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้าเจริญสตินั่งสมาธิเจริญปัญญา เราก็จะสามารถระงับความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้เพราะไม่มีความอยากแล้วเราก็จะไม่มีเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปการโกหกเพื่อให้คนรับฟังสบายใจถือว่าผิดศีลไหมครับผิดแค่โก 6, หกเนี่ยทำให้เขาสบายใจเรายามติดคุกเหนอะแต่ว่าเรายามติดทุกแล้วก็สบายใจ ก็ไปติดคุกแกันว่าโงหกก็ยัต้องไปไปติดทุกในอบายต่อไป <Okay. S 1> ขอาการอาจารย์ให้ความรู้เรื่องการละสกายะทิฐิครับก็ได้แหละร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายไม่เที่ยงเกิดเจ็บเจ็บตายตเป็นธรรมดาถ้าไปยึดไปติดไปถือว่าเป็นตัวเราของเราก็จะเกิดความอยากให้มันอยู่ไปนานๆพอมันไม่อยู่ไปนานๆก็เกิดจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา เราปฏิบัตินี้เพื่อดับความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากให้ร่างกายที่เราเชื่อเป็นตัวเ ร, เราของเรานี้อยู่ไปเรื่อยๆซึ่งมันก็ขัดกับหลักความเป็นจริงขัดกับหลักกลอนนิจจ์ที่ไม่ที่เป็นของไม่เที่ยงร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเราต้องสอนใจให้ยอมรับว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นของชั่วคราวมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ยอมแก่ยอมเจ็บยอมตาย ใจกับเราก็จะไม่ทุกข์ญาติชอบเล่นไก่ชนเป็นบาปไหมครับจะทําอย่างไรให้เขารู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นการเบียดเบียนสัตว์ครับก็ถ้าเราเป็นไก่ไม่ต้อทําะารถามวันนถ้าเราต้องไปลงเวทีต่อสู้กันเพื่อกวามอยู่รอดแต่ของแต่ละวันเนี่ยมันดีไหมละ่ะต้อ ง, ต, องต้องต่อยกันต้องกัดกันต้องฆ่ากัน สมัยก่อก็มีอย่างนี้ในกรมงลงที่เขาเอาคนไปไปสู้กันคนแพ้ก็ตายไปคนชนะก็อยู่ต่อไปแต่ก็ต้องมีรุ่มหน้าที่ราไปสู้กับอีกคนหนึ่งอย่างนี้ดีไหมถ้าเราเป็นอย่างนั้นน่มันก็เป็นเหมือนกับไก่นไก่ชนเป็นการสร้างความทุกข์ทรมารให้กับไก่เนามันดีที่ไหนถ้าเราเป็นไก่เราจะรู้สึกอย่างไร สรุปว่าโลกนี้เกิดมาจากไหนทุกอย่างเกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับก็เกิดมาจากธาตุทั้งหกเนธาตุเดียธาตุทั้งธาตทั้งหมาร่วมสังกัดกรรมกันธาตุสี่ก็คือดินน้าลมไฟก็มาสร้างร่างกายขึ้นมาธาตุรู้คือจิตก็มามาเชื่อมกับธาตุคือร่างกายแล้วก็ท่องไปในอวกาศถานคืออยู่ในตามอยู่ตามสถานที่ต่าง ด้วยความอยากด้วยความหลงที่เป็นเหตุที่พาให้จิตมามายึดปฏิสัมพันร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความอยากของจิตไปจนกว่าร่างกายจะตายไปร่างกายตายไปธาตุสิของร่างกายก็แยกกับขืนสุดที่เดิมส่วนจิตก็ไปหาร่างกายใหม่ต่อไปพยายามที่จะทำจิตให้มันสงบแต่เหมือนยิ่ง ว่ามันไม่สงบบางทีหลุดบ้างเหมือนกันอย่างนี้เป็นบาปไหมครับไม่บาปหรอกการการฝึกนั่งสมาธิแล้วยังไม่ได้ผลไม่บาปเป็นงแต่ว่า ย, ยังไม่ได้บุญต้องพยายามมีความอดทนมีความเพียรพยายามพยายามฝึกสติไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งเรากอาจจะได้พบกับความสงบจากการฝึกสติจากการนั่งสมาธิ การนั่งสมาธิภาวนาพุทโธโดยไม่กําหนดลมหายใจเรากําหนดฐานจิตที่หน้าผากอกเบื้องซ้ายสะดืออย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่กําหนดที่ปลายจมูกถือว่าทําถูกต้องไหมครับก็ไม่มีครูท่านไม่มีการสอนแบบนี้นะพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนแบบนี้พระพุทธเจ้าสอนให้กําหนดอยลมหายใจก็เวลานั่งสมาธิการที่เราอุทิศร่างกายถือว่าเป็นบุญไหมครับ ถ้าอุทิศตามที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นบุญเช่นบริจาคเลือดหรือบรอจากไตไปข้างหนึ่งบริจากตาไปข้างหนึ่งอย่านี้ก็เป็นบุญเพราะว่าเรารู้เรามีความรับรู้อยู่ว่าเราได้บริจาคของที่เราหวงแหนเวลาให้ไปแล้วเรามีกาดมีความสุขใจที่เราได้ช่วยเหลือคนที่อาจจะต้องตายถ้าเขาไม่ได้รับอวัยวะจากเราไปความสุขใจนั้นก็คือบุน ถ้าเราอุทิศตอนที่เราตายไปอุที่น่างกายตอนที่เราตายไปแล้วเราไม่รู้แล้วว่าน่างกายของเรานี้ไปทําประโยชน์ให้กับใครได้อย่างไรหรือไม่เราก็จะไม่ได้บุญเกี่ยวกับสมใจถ้าเราทําตอนหลังหลังจากที่เราตายไปแล้วต้องทําตอนที่เรามีชีวิตอยู่ไม่แต่ทรัพย์สินก็เช่นเดียวกันถ้าเราเขียนพินกรรมไว้เราก็ไม่รู้ว่าเราเอาทรัพย์สินนั้นไปให้ใครหรือเปล่าตามที่เรากำหนดไว้หรือไม่ต้องทําตอนที่เรามีชีวิตอยู่ คุณโยโย่ครับทุกวันนี้ผมมักจะหาหนทางสนองกิเลสเพื่อให้เกิดความสบายใจชั่วครู่ชั่วยามกราบขอปัญญาจากพระอาจารย์ในการลดละเลิกครับก็ต้องหบอกว่าบางทีเราก็ไม่สามารถหาวิธีที่จะตอบสนองกิเลสได้แล้วเราจะทะําังไงเช่นเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปเที่ยวก็ไม่ได้จะไปดูหนังฟังเพลงก็ไม่ได้อันนั้นเราจ ะ, จ ะ, จ, ะจะเจอกับความทุกข์เจอกับความเครียดมากกว่าคนที่ไม่ได้ตอบสนองกิเลส จาะนั้นอย่าไปตอบสนองกิเลสเราต้องฝืนกิเลสอย่าไปทำตามกิเลสเราต้องมาฝึกหาวิธีทำใจให้สงบให้ได้ทำใจให้สงบแล้วใจเราจะมีความสุขแล้วเราสามารถที่จะไม่ต้องไปตอบสนองความอยากของกิเลสได้เคยนั่งสมาธิแล้วเอาจิตไปปกักตอนที่เราปวดแล้วมันหายปวดอย่างนี้คืออะไรครับ ไม่โู้นเหมือกันนะก็ทาไปเรื่อยๆถ้ามัญหาปวดได้ก็ดีเลยจะได้ไม่ตอไปหาหมอครับทางทำลูกยังไม่ได้มากทางโลกลูกเตรียมตัวโดยไม่ทำภาระหนี้สินให้คนข้างหลังเมื่อลูกตายและทำใจตัวเองไม่รักและห่วงใครหวังว่าเวลาลูกตายใจลูกคงสงบได้บ้างครับก็หวังว่าหวังว่าจะได้ ไม่รู้จะได้ตั้งแต่ว่าต้องรองดูถึงเวลานั้นถึงจะรู้ถ้าอยากจะรู้ว่าไม่ใจเราสงบก็ลองแยกอยู่กับเขาเป็นพักๆไปเลยลองก็อยู่วัดสักเดือน้องเดือนเหมือนกับเราตายจากเขาไปชัว่วคราวหรือว่าเราจะรู้สึกอย่างไรเวลาที่เราสวดมนต์เสร็จแล้วจําเป็นต้องแผ่เมตตาไหมครับคือการแผ่เมตตาไม่ได้แผ่ด้วยการสวดมนต์ ไม่ในการแผ่ด้วยการบทสวดวดบทแผ่เมตตาอันนี้ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาแต่เป็นการเจริญสติในการสวดบดภาวบดแผ่เมตตาเท่านั้นเองถ้าอยากจะแผ่เมตตาต้องไปหาคนนั้นคนนี้แล้วเอาขนมข้าวของมาให้เขาเช่นตอนนี้คนคนน้ำท่วมที่ภาคใต้นี่ก็ส่งของมาให้เขาสิอันนี้ก็เรียกแผ่เมตตาการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทํา การสวดนี้เป็นการเป็นการเจริญสติเหมือนกับการสวนบนบดบนบทใดบทหนึ่งวันนี้ฟังทำแล้วมันเข้าใจจนเกิดปัญญาแล้วจะทําอย่างไรให้ปัญญานี้อยู่กับเราไปนานๆครับก็ต้องเอามาคิดบ่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆคิดทบทวนเยอะๆนี้ป่อดฟังทำอยู่เรื่อยๆเพราะควาที่เราฟังวันนี้ ถ้าเราไม่ไปคิดถึงมันสักพักเดีม๋มันก็อาจจะจางหายไปได้แต่ถ้าเราคิดอยู่บ่อยๆความเข้าใจนี้มันก็ยังอยู่กับใจเราไปเรื่อยๆมีความทุกข์ใจจากการสูญเสียลูกไปเลยหันมาอยู่กับสมาธิให้มีปิติอยู่แต่ความสุขทำถูกไหมครับก็สมาธิก็ช่วยบรรเทาครับทุกข์จากการสูญเสียได้แต่เป็นการบรรเทาแบบชั่วครั้งชั่วคราว เวลาที่เราออกจากสมาธิเมื่อพอเราไปคิดถึงสิ่งที่เราสูญเสียไปความทุกข์ก็อาจจะกลับมาได้อีกถ้าอยากจะให้ความทุกข์นั้นหายไปอย่างปิดทิ้งเราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าสิ่งที่เรารักเราชอบนั้นเขาไม่เที่ยงเขาต้องจากเราไปวันใดวันหนึ่งเราห้ามเขาไม่ได้นั่นถ้าเรายอมรับได้ว่าเขาต้องไปโดยโดยที่ไม่มีความอยากให้เขาไม่ไปใจเราก็จะไม่ทุกข์ แต่ถ้าเรายังมุงความอยากอยู่เรายังไม่ยอมรับความจริงอยู่เราก็อยากจะทุกต่อไปแต่ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นของไม่เที่ยวเป็นของชั่อกาวอยากจะพาครอบครัวไปกราบพระอาจารย์ควรจะไปวันไหนเวลาใดครับโยมอยู่ต่างประเทศครับอยู่ต่างประเทศกันเนี่ยเข้ามาทางโปรแกรมเนี้ยดีสุดรายการเนี้ยเพราะว่าเป็น เป็นโอากาสที่ได้พบได้คุยได้ถามธรรมะได้อย่างใกล้ชิดถ้ามาพบที่ตัวเองก็ไม่มีเวลาเพราะคนเข้ามาเยอะเช่นวันนี้มาเทศวันนี้มีคนมาฟังเทศประมาณสองร้อยคนตอนบ่ายเขาด้านทําอย่างมากก็เอาเข้าวของมาถวายทักทายกันถ่ายรูปปั๊บแล้วก็ไปนะถ้าจะมาคุยมาสนทนารายการนี้มันต้องมาแบบวาแบานะัในรายการอย่างนี้ก็มีอยู่สองสองวันด้วยกันคือมอาเศก็รายการของคุณหมอมี แล้วก็เกิดวันพุดก็มีการเข้าห้องสูงแล้วก็มาถามตอบคำถามกันเวลาสองทุ่มเหมือนกันเป็นวิธีที่ใกล้ชิดที่สุดที่สะดวกสบายที่สุดไม่ต้องเดินทาง ม, มาให้เหนื่อยยากน้องสะพ้ายเป็นคนอิดฉาว่าร้ายพ่อแม่เราควรทำอย่างไรครับก็เป็นธรรมชาติของเขาก็รู้ว่าเขาเป็นคนอย่างนี้ก็แล้วกันเราไม่ห้ามก็ไม่ได้เปลี่ยนเขาไม่ได้ ปฏิบัติธรรมแบบไหนได้บุญมากที่สุดครับก็แบบละกิเลสได้บุญมากที่สุดละความโน้กความกดความหลงได้ตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ก็จะได้นิพพานเป็นบุญขั้นสูงสุดนั่งสมาธิแล้วได้บุญเหมือนตัดบาตทําบุญไหมครับคือบุญที่ได้ากสมาธิมันมากกว่าบุญที่ได้จากการทําบุญตักบาต แต่มันไม่ได้ถ้าจิตยังไม่สงบนั่งไปก็ยังไม่ได้บุญถ้านั่งแล้วจิตสงบนิ่งสงบเป็นสมาธิถึงจะได้บุญถ้าสงบแล้วจะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการทําบุญแต่มันไม่ใช่เป็นของง่ายคนบางคนนั่งสมาธิมาเป็นสิบสิบปีก็ยังไม่เจอกับความสงบสักัารสักครั้งเลย เวลาเรากรวดน้ําอุทิศให้พ่อแม่เราต้องอุทิศ ต, ตอนไหนครับระหว่างพระสวดหรือตอนเอาน้ําไปเทที่ใต้ต้นไม้ครับไม่ต้องใช้พระสวดไม่ต้องใช้น้ําเลยพอเราทำบุญเสร็จล้วก็อุทิศภายในใจไปได้เลยมีลูกชายวัย28ปีเสียชีวิตไป4เดือนแม่ยังเศร้าโศกเสียใจทุกใจอย่างมากจะทําอย่างไรดีถึงจะคลายทุกข์ได้ครับ ก็ยังไม่ยอมรับความจริงไม่เห็นความจริงว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายก็มีนิทานในสมัยพระพุทธกาลนี่ยก็เหมือนมีแม่คนหนึ่งข้อทารกุกเกาะทารุกออกมาได้ไม่กี่วันก็เสียชีวิตแในความรักทารกนี้ก็อยากจะให้ทารกหายไม่อยากให้ทารกตายก็ไม่ยอมไปเผาไปฝังเก็บไว้ในบ้านแล้วก็กอดทารกุกด้านน้องห่มน้องให้ชาวว่าเห็นเข้าว่าสงสารก็เลยบอกว่าไปหาพระพุทธเจ้าสิพระเจ้าช่วยเธอได้นะ ท่านก็คิดว่าพระเจ้าควจะทําให้ลูกเขาฟื้นขึ้นมาแล้วท่านก็เลยได้ผู้อุปถัมภ์ไปกราบพระพุทธเจ้าพอไปพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าได้ข่าวว่าท่านจะช่วยให้ดิฉันทําให้ลูกดิฉันฟื้นขึ้นมาได้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกง่ายมากแต่เธอต้องไปหาเมล็ดผักกาดมาให้เราสักคามือหนึ่งแล้วก็เมล็ดผักกาดที่เธอไปเอามานี่ต้องเอามาจากบ้านที่ไม่มีคนตายนะถ้าบ้านไหนมีคนตายนี่ใช้ไม่ได้นะ พอจะได้รับฝักแต่ก็ดีใจนิ่มกลับเข้าไปในหมู่บ้านไปเคาะประตูบ้านต่างๆไปถามว่าบ้านนี้มีเลือดถลกัดไหมบ้านที่มีเขาบอกมีแล้วถามคนตายไหมเขาบอกมีไม่ไม่พ่อก็แม่ไม่ปูายยาย่ย่าตายายไม่ญาติพี่น้องคนตายคนไหนไก็มีคนตายด้วยกันนะั้นี่ยไปบ้านไหนก็ได้คําตอบแบบเดียวกันดังนั้นที่จะก็เห็นสัจธรรมความจริงว่าความตายนี้มันมีกับทุกคนลูกแข็งทุกคนไม่ใช่มีแต่เฉพาะ ที่ตัวของตนเองรู้โลกของตนเองถ้าอย่างพอจะเห็นความจริงท่านก็ยอมรับยอมรับความจริงได้ก็หายเศร้าโศกเอาลูกไปฟังไปเผานี่ก็คือค น, นิทานในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าฉลาดนั้นท่านนี่จะพูดโดยตรงใ ห, ให้ต้องให้ไปเห็นเองด้วยด้วยตาดีวกว่าให้รู้ด้วยตนเองว่าไม่มีใครไม่ตายหรอกเกิดมาทุกคนพูดแล้วมันไม่มีน้ำหนักเท่ากับไปไปเห็นของจริง เดินจงกรมและฟังธรรมไปด้วยทําความรู้สึกตัวทั่วพร้อมและกําหนดรู้ได้ยินเสียงธรรมะไปด้วยควรปฏิบัติหรือเปล่าครับคือเดินจงกรมไปฟังธรรมไปด้วยก็ได้นะแต่มันอาจจะมีปัญหาถ้ า, าฟังธรรมแล้วเราไม่ดูการเดินะเดี๋ยวเราเดินไปเหยียบนั่นเหยียบนี้ได้เดี๋ยวไปชนอะไรได้แต่ถ้าเราจะเดินแบบ ด, ดูดูการเดินเราก็จะไม่สามารถฟังธรรมได้ เพราะฉะนั้นไม่ควรจะทําทั้งสองอย่างนี้พร้อมกันการฟังธรรมทาได้เฉพาะเวลาที่เรานั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆเฉยๆการจะฟังทําได้ประโยชน์ต้องกายวาจาใจที่นิ่งสงบร่างกายไม่มีการเคลื่อนไหววาจาไม่มีการพูดคุยใจไม่มีการคิดถึงมุ่งเน้นเรื่องนี้ใจจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมในอย่างเดียวก็วจะได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมได้ร้อปอร์ซนตเพราะฉะนั้นถ้าเดิ น, ดนโดยใกล้มีสติอยู่กับการเดินดีกว่า ให้ไปพูดทัวร์กลกับัใจไม่ให้ไปที่อื่นให้อยู่กับการเดินอย่างนี้ก็ได้อยู่ในการทังธรรมนี้ไม่ควรทำไมตัวเราถึงจะชอบแต่ช่วยเหลือแต่คนอื่นที่เขาลําบากครับมันเป็นนิสัยของเรามาไงแต่ละคนนี่ยังมีนิสัยติดตัวมาคนที่เคยชอบช่วยใครก็จะมีนิสัยนี้มาคนที่ชอบเบียดเบียนใครก็จะก็จะมีนิสัยนี้มาติดตัวมา เขาเรียกว่าบุญกับบาปไยคนทำบุญก็คนช่วยแล้วคนไหนก็มีบุญติดตัวมาคนชอบเบียดเบียนหนก็มีบาปติดตัวมาถ้านั่งสมาธิยังไม่ได้ควรจะพยายามหรือรอให้มีสติแล้วค่อยมานั่งครับก็ อ, อย่างนั้นนะถ้าไม่มีสติมันก็นั่งไม่ได้อยูน่นี้นั่งไปก็ไม่สงบกงควยพยายามฝึกสติให้มากๆระหว่างวันก่อนที่เราจะมานั่ง จิตกับความรู้สึกแตกต่างกันอย่างไรครับจิตนี้เป็นธรรมชาติที่มีความสามารถที่จะมีความรู้สึกได้มีความคิดได้มีการรับรูปเสียงกลิ่นรสได้นี่คือจิตจิตมีคนมีคนสมบัติหลายประการด้วกันจิตสามารถรู้ได้รู้เสียงรู้ลูกลูกลูกลิ่นได้รู้ความรู้สึกแดะรู้ความคิดได้และก็มีความรู้สึกมีความคิดอยู่ในจิตนี้ด้วย จิตมีความสามารถหลายอย่างการระลึกถึงความตายเสมอๆและเตรียมทําสิ่งต่างๆไว้ล่วงหน้าทําให้จิตใจเราเศร้าหมองลงควรจะปฏิบัติเช่นไรครับแสดงว่าจิตเรายังไม่พร้อ ม, อมที่จะพิจารณาความความตายจิตเรายังมีกิเลสต่อต้านอยู่ยึงทําให้ใจเราเศร้าหมองยิงเราต้องฝึกสตินั่งสมาธิเพื่อ เพื่อทำให้กําลังของสตินี้กําลังของกิเลสนี้อ่อนลงก่อนไม่่าต่อต้านกับความเป็นจริงถึงจะสามารถเตรียมตัวรับกับความจริงได้นะปัญญาถึงต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนถึงจะสามารถทำให้ใจสงบได้ดับความทุกข์ได้แต่ถ้าใม้มีสมาธิแล้วทันที่ะดับความทุกข์กับสร้างความทุกข์ขึ้นมาเวลาเจริญปัญญาก็ได้ ทำอย่างไรถึงจะไปนิพพานได้ครับก็ละความอยากให้หมดไปจากใจความอยากสาชนิดก็คือการมาตัญหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสภาวตัญหาความอยากมีอย่างเป็นอยากเริ่มอยากรวยอยากได้ร่ำยศเสริญสุขมี่แล้วความอยากไม่เป็นอยางไม่มีก็คือความอยากไม่ให้นาคุสรเสริญสุขเสื่อมหรือความอยากไม่ให้นั่งกายไม่แก่เจ็บตาย ข้ออย่างเนี้ถาลาลาดได้หมดใจเราก็จะไปแหงวัริพานได้นั่งภาวนาแล้วห้ามความง่วงไม่ได้เลิกนั่งแล้วไปหลับตลอดครับเพราะไม่มีสตินะไม่อยากจะเวียน่ายตายเกิดในวัดตัดสงสารแล้วอยากจะทราบเส้นทางเดินและการปฏิบัติครับ ไปบวชเนี่ยบวชแบบพระพุทธเจ้าบวชแบบพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเป็นนั่งบวชกันส่วนใหญ่บวชชีก็ได้บวชพระก็ได้ถ้าปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาจะได้มีเวลาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่พระอาจารย์สอนเรื่องการใช้ปัญญาหลังจากนั่งสมาธิครับก็คือถ้ายังไม่มีสมาธิปัญญานี่มันจะปัญจะจะเดินยากก็อาจจะแทนที่จะเป็น เป็นประโยชน์กับเป็นโทษกับใจอย่างที่เมื่อกี้มีคนที่คิดถึงความตายแล้วมีการ ม, มีความเศร้าหมองขึ้นมาเพราะว่าจิตยังไม่มีสมาธิพอที่จะรับความจริงได้จิตยังต่อต้านกิเลสยังต่อต้านควา ม, วามจริงนี่ก็เลยต้องฝึกสมาธิให้จิตลดการต่อต้านความจริงให้ได้ก่อนเมื่อจิตไม่ต่อต้านความจริงแล้วก็สามารถพิจารณาปัญญาเช่นความตายหรืออสุภะได้ ลูกชอบก้าวร้าวกับพ่อแม่ครับจะสั่งสอนเขาอย่างไรไม่ให้ลูกมีบาปครับเขาสอนตั้งแต่เด็กถ้ามาสอนตอนที่เขาโตแล้วมันก็ยากเขาเรียกว่าไม่แก่ดัดยากไม่อดดัดง่ายถ้าเราไม่เคยสอนตั้งแต่ตอนที่ก็ยังเป็นเด็กเชื่อฟังนอนพอเขาโตแล้วมันมาสอนยากแต่ก็สามารถสอนได้แต่เขาจะเชื่อฟังเพ้าว่านี้ก็อีกเรื่อง ทำไมเราชดใช้กรรมในนรกอย่างทุกทรมานแล้วยังต้องมารับกรรมต่ออีกทําไมไม่เคลียร์กันจบไปครับเพราะมันเป็นอย่างนั้นเลยมันเป็นอย่างนั้นมันยังไม่หมดมันไม่มันยังไม่หมดมันยังมีบางส่วนนี่ต้องมาใช้ต่อกรมใช้ไปแต่เวรยังยังมียังไม่ได้ใช้เวรจะต้องใช้อีกครั้งเวรก็คือเราไปทําร้ายใครเขาคนนั้นเขาจะมากลับมาทําร้ายเราก็ยังจองเวรต่าอยู่ บบเปลี่ยนผ้าจานครับตอนนี้คนฟังถึงสอง0ันคนแล้วนะครับสวเลยส<า>ยองพันเรื่องนี้หัวข้อนี้เวลามีหัวข้อแบบนี้ก็จะคนจะเข้ามาเยอะอครับเพิ่งจะเสียลูกชายได้สองเดือนครับแต่ทําบุญตักบาทไม่ได้เพราะว่าอยู่ต่างประเทศสามารถจะทําบุญออนไลน์ได้เหมือนกันไหมครับได้ก็มีญาติโยมที่สายบาเราทักวันนี้เขา อ, อยู่ต่างประเทศกันเยอะ เขา่็ติดต่อกับแม่ค้าที่ทำกับข้าวใส่บานให้เขก็มีเมนูให้เลือกจะมีทั้งมันฝรั่มิลัทมีทั้ ง, ม, งมีทั้งเนื้อสัตว์แล้วแต่จะเลือกเอาเมนูแม่ค้าสมัยนี้เขาทันสมัยนะเขาศึกษาวิธีทำกับข้าวจาก YouTube ถ่านถามไปเรียนม า, า, ายที่ไก็เปิด u ูทูดูอ๋อมีหลายร้านแล้วใช่ไหมครับอก็ <S 1> <S 1> มีอยู่ สามสี่ล้านงสามสี่ล้นที่รับทาอาหารใส่บาทให้แม่ค้าหมูปิงก็มีแม่ค้าขายกับข้าวก็มีนนชอบเดินจงกรมและฟังธรรมไปด้วยขณะเดินทำความรู้สึกตัวอันนี้หมถามซ้มครับอาจารย์ตอบใหครับผ่าตัดมาสองปีแล้วแต่อาการปวดไม่หายอยากตายมากค่ะพระอาจารย์ อยา่างตายเพราะมันท ร, รมานที่ท ร, รมานไม่ใช่เพราะความปวดของร่างกายแต่ความท ร, รมานของใจที่เกิดจากความอยากให้ความปวดนั้นหายไปถ้าไม่อยากจะท ร, รมานทางใจก็ต้องยอมรับความปวดว่ามันเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้กําจัดไม่ได้ก็ฝึกใจทําใจให้เฉยๆอยู่กับมันไปฝึกสมาธิถ้าใจเราเฉยได้เราก็จะอยู่กับความตายความปวดของร่างกายได้โดยไม่ท ร, รมาน เวลาสวดมนต์จะงว่วงมากหาวจนน้าตาไหลบางทีทนไม่ไหวต้องหยุดสวดจะแก้อย่างไรครับแล้วแต่ว่าเราสวดตอนไหนถ้าเราสวดตอนหลังเหมืที่เรากินอาหารแล้วมันก็จะมีปัญหาอย่างนี้ถ้าอยากจะแก้ก็คือเราอยากกินอาหารเย็นดูถ้าเราสวดตอนเย็นก็อยากินอาหารหรือสวดก่อนที่เรากินอาหารก็ได้สวดที่ตอนเราหิวมันจะไม่ง่วงแต่มันจะสวดได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องนึง เพราะเวลาหิวเราใจมันก็ไม่อยู่กับการส่วนมลมันจะอยู่กับการะคิดถึงเรื่องอาหารอย่างเดียวมันก็ลำบากเหมือนกันนะที่การจะปฏิบัติธรรมนี่มันมีอุปสรรคสักรอบด้านขอโอกาสครับเวลานั่งสมาธิสามารถจะกลือน้ํำลายได้ไหมครับไม่กลัวนะถ้าเกิดก็หมายความว่าเรากลับไปเริ่มต้นเลยเวลานั่งสมาธิแล้วเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับร่างกายเลย ร่างกายจะเจ็บจะคันอะไรก็อย่าไปเกาอย่าไปขยับอย่าไปเกินน้ำลายปล่อยให้น้ำลายมันไหลถ้ามันจะไหลออกมาทางปากต้องปล่อยมันไหลไปแล้วเลิกสมาธิแล้วเอามาเช็ดก็ได้แต่ถ้าเร่างกายมาคอยเกินมันก็คอยเกินน้ำลายอยู่เรื่อยๆมันก็จะไปไม่ถึงไหนนั่งไปแล้วเกินน้ำลายแล้วเดี๋ยวก็เกินน้ำลายไปอยู่เรื่อยๆใจก็จะไม่มีวันเข้าสู่สมาธิได้ชอบสวดยอดปะกันไตรปิฎกครับ มีคําแนะนํำไหมครับอาจารย์ครับไม่มีก็บทสวดมนทุกบทก็มีไว้พเพื่อเจริญสติเท่านั้นเพื่อทําใจให้เราสงบในระดับของการสวดมนต์แต่ยังไม่สงบแบบรว ม, มเป็นสมาธิเป็นการระงับความคิดฟุ้งซ่านต่างๆให้เบาบางลงได้ขอคําแนะนําการนั่งสมาธิควรนั่งก่อนนอนหรือตื่นนอนจัดได้สมาธิดีกว่ากันครับ ก็เราเรียน้พงสองอย่างแต่คองเราไม่เหมือนกันนะทำอย่างไรจึงจะมีจิตใจที่กว้างขวางครับก็ต้องบางครั้งให้เราเสียสละแบ่งปันยาให้เรายึดยิบติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองให้ใช้ปัญญาว่าเงินทองนี้มีไว้เพื่อสนับสนุนชีวิตของเราเราต้องมีเท่าไหนถ้าเรามี พอเพลงแล้วถ้าเรามีส่วนเกินก็เอไปแจกจ่ายให้กับคนอื่นแล้วใจใจของเราก็จะกว้างขึ้นมาด้วยการคิดว่าตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้เงินทองเหล่านี้ถ้าไม่ได้ใช้ก็การเป็นของคนอื่นไปอยู่ดีแต่ถ้าเราใช้เราก็ย่อเป็นคนใจกว้างเป็นคนใจบนถ้าเราบริจาคเงินสร้างโรงพยาบาลแต่ตัวเราเกิดตายไปก่อนโรงพยาบาลสร้างเสร็จ เมื่อโรงพยาบาลสร้างเสร็จถ้ามีคนไข้มารักษามากหรือมาน้อยจะได้บุญต่างกันไหมครับไม่เกี่ยวกันนะจะโร ง, ง, งพยาบาลจะเสร็จไม่เสร็จเราได้บุญแล้วตั้งแต่ที่เราบริจาคเงินไปนั่งสมาธิเราควรจะเอาลมหายใจเป็นที่ตั้งหรือว่าเอาจิตเป็นที่ตั้งครับนั่งสมาธิก็ใช้ลมหายใจเป็นเป็นที่ที่ตั้งสติ เพราะจิตที่เราไม่รู้มันเป็นอย่างไรเราเอาจิตมันตั้งไม่ได้แล้วเราใช้ลมาหายใจเป็นที่ตั้งนั่งสมาธิไม่ได้เลยครับอาจารย์เพราะว่าไม่มีสติต้องฝึกสติบ่อยๆใส่บาตรเอาข้าวเอาอาหารใส่แล้วเอาสตางใส่ไปในบาตรพระมีคนบอกว่าบาปอย่างนี้จริงไหมครับ ไม่บาปหรอกเพียงแต่พระทำไม่ถูกกดพระวินัยเทน้เองโยมไม่ได้บาปโยมได้บุญโยมถวายเงินก็ได้บุญบุญเงินี่เหมือนข้าวเนี่ยเพราะว่าเราสามารถเอาเงินนี้ไปทําประโยชน์ไปซื้อของต่างๆได้เพียงแต่ว่ากติกาของพระนี่ถ้าแม่ไี่โยมไห้พระรับความือต้องให้ญาติโยมฝังกันไว้กับลูกศิษย์แต่ญาติโยมก็ไม่อยากจะฝาเพราะคิดว่าทำบุญกับลูกศิษย์ ก็จะไม่ได้บุญอีกปัญญาที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะเกิดแล้วก็ถือว่าเป็นไตลักษณ์ไหมครับไม่ทราบหมายเขาว่ายังไงเป็นไตลักษ์ปัญญาก็เป็นของไม่เที่ยงมักนก็จะหได้เสื่อมได้แล้วแต่ปัญญาในระดับไหนปัญญาระดับที่ไม่เสื่อมก็มีถ้าเป็นภาวนาเมตตาปัญญานี้ไม่เสื่อม ถ้าเห็นอนุญาตสัตว์สิงแล้วมันก็จะเห็นตลอดเลยแต่ถ้าเป็นปัญญาขั้นสุดะหรือขั้นจินตะคือปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังธรรมหรือปัญญาที่เกิดจากการพิจารณาธรรมนี้ยังเสื่อมได้ยังเบื่ได้ยังไม่ว่าเป็นปัญญาเรือว่าเป็นสัญญาแต่ปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติจิตตภาวนาด้วยอันนี้จะเป็นปัญญาไม่ได้เป็นสัญญาเพราะมันเห็นความจริงเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจ เราเห็นว่าความทุกข์ที่เกิดนี้เกิดจากความอยากใช้ปัญญาหยุดความอยากนี้ได้ทำให้ทุกข์หายไปได้นี่ยเพรามันเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยมันจะไม่ลืมเพราะเนของจริงเป็นสัจธรรมเป็นปัญญาเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าตัวเราเป็นพุทธภูมิเป็นปเจกภูมิหรือเป็นสาวกครับจะได้ปฏิบัติให้ถูกกับจริตครับ ถ้าไม่รู้ก็ไม่ได้ไปสนใจหรอกอันนี้ให้มีรอบนี้พระธรรมคาสอนของ พ, พระเจ้าก็พยายามปฏิบัติตามเพราะเป็นทางที่ใกล้ที่สุดที่สั้นที่สุดถ้าไม่มีคําสอนของพระเจ้าเราก็ต้องคําทางไปเองการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ดีไหมครับดีกับทุกคนไม่ว่าจะผู้ใหญ่่ผู้น้อยก็ได้เพราะคนเรานี้ไม่ไม่ลําเกตคนที่มีคําอ่อนน้อมถ่อมตน ยินดีต้อนรับสเสมอเพราะไม่ไปสร้างความลำคาญให้กับผู้อื่นนั่นเองเวลานั่งสมาธิแล้วเข้าผวังแล้วเหมือนไฟช็อตที่หัวเสียงติ๊ดติแก้อย่างไรครับแก้ไม่ได้หรอกเป็นยังไงก็ร่วมเป็นอย่างนั้นไปกันแล้กันฝึกนั่งสมาธิเองงองผิดลองถูกคนเดียวมาสองปีกว่าแล้วสงบบ้างไม่สงบบ้างบางครั้งสับสน เหมือนหาจริกของตนที่แท้จริงไม่เจอต้องเริ่มมาปรับปรุงแก้ไขตรงไหนครับที่สติไม่ได้ที่จาริกสงบบ้างไม่สงบบ้างแสดงว่าบางวันก็ไมีสติบางวันก็ไม่มีสติถ้าเราไปรู้ว่าสามีของน้องสาวมีกิ๊กเราจะบอกน้องสาวเราอย่างไรไม่ให้ทุกข์ครับถ้าเขาไม่รู้ก็อย่าไปบอกเขาดีที่สุดถ้าเขายังไม่ทุกข์ก็อย่าพูดหรอก เราไปบอกเขาแล้วตอนเขาจะเกิทุกข์ึ้นมางถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปบอกไม่ใช่เรื่องของเราปล่อยเป็นเรื่องของเขาไปคนเราทำไมชอบไปยุ่งกับชีวิตของคนอื่นเหรัวะต้องทําอย่างไรถึงจะเรียกว่าการเจริญเมตตาครับต้องใช้คําภาวนาหรือเปล่าครับไม่หรอกเป็นการใช้การกระทํามีสีส่วิธีของการือความเมตตา เวลาใครก็ทําให้เราโกดก็อย่าไปอาฆาตพยาบาทอย่าไปจองเวรจองกรรมให้อภัยเข้าไปนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งเวลาเราจะทําอะไรก็คํานึงว่าการกระทําของเราทําให้ผู้อื่นรับเสียหายเดือนรอนหรือไม่ถ้าเสียหายเดือนร้นเราก็อย่าไปทําลำการกระทําเมตตาแบบที่สามก็คืออย่าไปทํำร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อื่นเวลาเราโกรธบางทีเราห้ามใจเราไม่ได้ก็ไปทําร้ายร่างกายเขาบ้าง หรือไปทําให้จิตใจเขาเสียใจบ้างอันนี้ไม่ควรทาควรจะให้อภัยแทนแล้วก็ที่สี่ช่วงให้ความสุขกับผู้อเหมือนตอนนี้ช่วงปีใหม่เรามักจะส่งความสุขให้ต่อกันเนี่ส่งสองข้อสอบอันนี้แหะสองข้สนี่ก็คือการให้ความเมตตาด้วยการแผ่เมตตาส่งสองข้อสอก็ได้ส่งเข้าของก็ได้ส่งเค้กก็ได้ส่งขนมของขวัญก็ได้น่าแต่เราจะส่งไปให้เขา อันนี้เป็นการให้ความสุขกับผู้นี่คือวิธีให้ความเมตตาแล้วแผ่เมตตาสี่วิธีด้วยกันแต่ต้องแผ่ด้วยการกระทําไม่ได้แผนด้วยการสวดสวดมนต์ทำวัดเย็นมีกําหนดเวลาไหมครับว่าไม่ควรเกินกี่โมงแล้วถ้าเราไปสวดตอนดึกๆได้ไหมครับเพราะว่าทํางานกลับดึกครับได้การสวดบนไหนก็ได้การสวดมันก็เป็นการ เป็นการเจริญสติเพื่อบรรเทาความเครียดความทุกข์ที่เกิดจากความคิดต่างๆนั่นเองแล้ส่วนบทไหนก็ได้เพียงแต่ว่าเขาก็มีจัดเป็นสูตรๆไปอออ ต, อตอนเช้าก็สวดชุดนี้ตอนบ่ายตอนเย็นก็สวดชุดนี้แต่ความจริงแล้วตอนเช้ามาสวดตอนเย็นก็ได้เอาตอนเย็นไปสวดตอนเช้าก็ได้มันไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่มีสติกับการสวดหรือเปล่านั่นเอง พระห้อยคอมีผู้บอกว่าไม่มีพุทธคุณจริงหรือไม่ดิฉันคิดว่าท่านมีพุทธคุณคุณจากการที่พระท่านปลุกเสกท่านใช้พุทธคุณเสกไม่ใช่หรือครับเราก็ไม่ใชาคำว่าพุทธคุณของคนมาถึงอะไรถ้าพุทธคุณจริงๆมันอยู่ที่ในตัวพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นมีพุทคุณท่านเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือพุทคุณของพระพุทธเจ้าคุณสมบัตินี่ยคําว่าคุณนะครับคุณสมบัติ แต่ในะวัตถุมงคลไม่มีสุขสุนสมบัติเหล่านี้เนี่แต่ถ้ามาปลูกเสร็จแล้วสามารถเอาพุทธคุณมาใส่ในสิ่งนี้ได้ก็ดีแต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของคนก็แล้วกันถ้าเชื่อว่ามีก็มีถ้าเชื่อว่าไม่มีก็ไม่มีครับคนที่ไม่สบายต้องชดใช้กรรมให้หมดที่สร้างมาจึงต้องถึงจะต้องจากไปใช่ไหมครับ ไม่ได้นอนอ่ะทามานจะไม่หมดก็ได้การฝึกตัดความรู้สึกห่วงคือการเตรียมตัวการตายอย่างถูกต้องใช่ไหมครับเม่อตายอย่างไม่ทุกข์่ยถ้าเราห่วงเวลาตายแล้วก็จะทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องตัดความห่วงใยตัดการยึดติดกับสิ่งต่างๆไปแล้วเราจะไปอย่างสงบไปอย่างสบาย ช่วงปีใหม่พระจะเชิญชวนให้ญาติโยมสวดมนต์ข้ามปีอยากจะรู้ความหมายของการสวดมนต์ข้ามปีครับไม่มีความหมายอะไรก็เป็นการการเป็นการสวดเพื่อให้มีสติเพื่อให้ใจสงบเท่านีซึ่งเราสวดได้ทุกคืนอยู่แล้วมัจำเนจะต้องมารอวันสิ้นปีหรือค่อยมาสวดกันคืนนี้ก็สวดได้ติดสุขในความสงบควรแก้หายอย่างไรครับ ไม่ต้องแก้ไขความสงบเนั้นไม่มีพิษมีภายเลยติดให้มากยิ่งดีให้มนความสงบยิ่งมากเท่าไรได้ยิ่งดีทําไมเวลาที่มีความทุกข์อยากจะสวดมนต์เพื่อข่มใจไม่ให้เป็นทุกข์ถึงสวดมนต์ไม่ได้ครับเพราะไม่ฝึกมาก่อนเนี่ยไม่ซ้อมมาก่อนเหมือนไม่ไม่หัดวิ่งมาก่อนเพราะถึงเวลาอยากจะวิ่งก็วิ่งไม่ไหวว่าการจะวิ่งนี่มันต้องซ้อมามาเพราะจะได้ ให้นางกายมีกําลังที่จะวิ่งได้ถ้าไม่ใครวิ่งมาก่อนเลยจะมาวิ่งนี้มันวิ่งไม่ได้เพราะไม่มีกําลังพอเหมือนกันการกา ร, การสวนนดมนต์หรือการอะไรก็เหมือนกันต้องฝึกต้องซ้อมไว้ก่อนถ้าไม่ซ้อมแล้วถึงเวลาสวดไม่ออกครับเวลาเดินออกกําลังกายชอบคิดเรื่องทั่วไปเราหยุดคิดโดยพูดพูดโทพูดโทรพูดโ ท, ดโทในใจได้ไหมครับได้ครับ แต่ก็ต้อง ด, ดูเวลาเราเดินนี ว, ว่าเราลองจะเดินไปชนใครกับใครหรือเปล่าทําบุญแล้วเราควรแผ่บุญกุศลให้ญาติผู้ร่วงรับทุกครั้งไหมครับทํามากๆดีกว่าไม่ทํำไหมครับน่งแต่เราคือเราเมืบุญเราจะแบ่งให้ผู้ตายไปก็ได้แต่ถ้าเราไม่รู้จะผู้ตายเราไม่รู้จักผู้ตายคนใดเราก็า จ, จะไม่แผ่ก็ได้ไม่อุทิศก็ได้แล้วแต่เรา ขอคำอธิบายการลัสัยญน์ข้อหกถึงสิบเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นครับก็ในขยอยก็ ม, กมีข้อแรกข้อที่หก็คือ อ, อ, อะไรนะรูปรคาคะคำยินดีนในรูปประชาคนความมิตติดในรูปประชานหวังว่าจนจะใช้รูปประชานเป็นการรักษาจิตให้สงบไปตลอดก็เป็นไปไม่ได้เพราะารูปประชานมันก็เป็นของชั่วคราว เวลาเข้าในชามมันก็สงบแต่พอออกจากชามมามันก็หายสบยางบงั้นก็ไม่สามารถใช้รูปประชามเป็นวิธีการทําให้จิตสงบได้อย่างทาวรถ้ามันยึดไปติดมันก็จะเป็นสังโยชน์ทําให้จิตติดอยู่กับรูปประชามอารูปประชามอารู ป, ป ร, ราคะก็คือการยึดติดกับอรูปประชามเหมือนกับรูปประชามต้องไม่ไม่อาศัยชามเป็นเครื่องกําลับกาจัด ทำให้จิตสงบอย่างท้าว อ, อนเพราะมันทาให้มันไม่สามารถทำให้จิตสงบได้แล้วก็มานะก็คือการถือตัวการถือตัวก็คือถือว่าเราเป็นเรามีตัวตนคิดว่าผู้คิดนี้เป็นเป็นตัวตนเป็นผู้คิดนะครับยิงผู้คิดก็เป็นแค่ความคิดไม่ได้เป็นผู้คิดเวลาจิตสงบเข้าสมาธิความคิดหายไป ตัวตนก็จะหายไปก็ต้องรู้ทันว่าเป็นความหลงที่ไปถือตัวไปถือว่าเรามีตัวตนผู้คิดเป็นตัวตนเป็นต้นแล้วอุทธจารนี้ก็คือความฟุ้งซ่านของจิตเวลาจริญปัญญาวิเคราะห์สิ่งต่างๆมากจนเกินไปก็อาจจะทําให้จิตฟุ้งซ่านได้ก็ต้องลงน้ำด้วยการเข้าสมาธิแล้ววิชาก็คือการ ไม่ไม่รู้ธรรมชาติที่แท้จริงของจิตว่าเป็นอย่างไรไม่รู้ว่าธรรมชาติของจิตนี่ยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่แล้วก็มาอยากให้มันเป็นนิจจังสุ ข, ขังอนัตตาไปตลอดแต่พอเข้าใจความจริงว่าจิตนี้ก็ยังเป็นของไม่เทีย่ยมมีจจริญมีเสื่อมได้มีสุขมีทุกข์อยู่ในจิตถ้าไปอยากให้มันสุขอย่างเดียวจิตก็จะทุกข์ขึ้นมา อันนี้เรียกว่าวิชาต้อศึกษาจนเข้าใจว่าธรรมชาติของจิตนี้มันก็เป็นของไม่เที่ยง ม, มันยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ตามเหตุการณ์ที่มันไปนสัมผัสรับรู้ตามความคิดปรุงแต่งต่างๆนี่คือวิชาสามยชดหนึ่งทั้งหกข้อหกถึงสิบก็มีห้ามีห้าข้อเนี่ยแต่เนื้ กันจะไปถึง น, นได้เอาให้ผ่านข้อสามข้อแรกให้ได้ก่อนนะสกายะทิฏฐิศีลพตะตปารมาแล้วก็วิชิกิจชาต้องปล่อยวางร่างกายให้ได้ต้องอยู่ความเจ็บความตายให้ได้ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายเป็นคนชนบทครับเวลามีผู้ป่วยวาระสุดท้ายจะเป็นคนที่บอกให้ผู้ป่วยนั้นทําจิตให้สงบคิดถึงแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ดีไหมครับมันก็เหมือนกับบอกนักมวยที่ขึ้นไปชกบนเวทีโดยที่เขาให้ฝึกใว้ซา้ ม, มาก่อนให้ทาอย่างนี้ทำอย่างนั้นนะมึงทําไม่ได้หรอกทําไม่ซ้ำมาก่อนหลังออกจากสมาธิลูกเข้าสมาธิจิตรวมได้นะครับปัจจุบันอยู่ในสภาวะที่เฉยๆอยากให้สอนการใช้ปัปญญาครับ ก็พิจารณาความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆบุคคลต่างๆหรือร่างกายของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงเราปล่อยวางมันได้ไหมเราพร้อมที่จะให้มันจากเราไปได้หรือเปล่าถ้ายังไม่พร้อมแสดงอะไรไม่มีปัญญาอะไรยึดติดอยู่เราก็จะทุกข์กับมันเวลาที่มันจากเราไปถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องมองให้เห็นว่ามันเป็นของชั่วคราววันใดวันหนึ่งมันจะต้องจากเราไปอย่างแน่นอน จิตไม่เคยอยู่กับปัจจุบันเลยควรทําอย่างไรครับเพราะไม่มีสติคอยดึงไวนะ้เอนเจแิญสติอยู่บ่อยๆตั้งแต่เริ่มตาขึ้นมาเราพุทโธพุทโธเวลาเราพูดโธ น, นี่าถ้า่ากับเราดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันนะไม่ไม่หลอยไปคิดถึงอดีตไม่ลอยไปคิดถึงอนาคตการยึดติดในธรรมด้วยแรงศรัทธาในความสามารถความเก่งของอริยะบุคคลที่เป็นผู้ถ่ายทอดเนื้อหาพระธรรมคําสอน สร้างกำลังแรงใจเพื่อการพนทุกข์แบบนี้เป็นความหลงที่เป็นหนึ่งในกิเลสไหมครับไม่ใช่หรอกมันเป็นศรัทธาความเชื่อในศธรรมความเป็นจริงในธรรมในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าการสร้างบ้านจําเป็นต้องทําพิธีลงเสาเอกเสาโทไหมครับน่าแต่ความเชื่อคนที่เขาเชื่อแล้วเขาก็ต้องทําคนที้ไม่เชื่อเขาก็ไม่ทํา ก็หลังไม่เห็นมันสร้างบ้านมันต้องเป็นทำวิธีเหล่านี้เลยมันก็สร้างตึกน้อยชั้นได้ขึ้นมาที่บ้านผมก็ไม่มีครับอาจารย์เอ้ยนั่นแหละความเชื่อก็ไ ม, ไม่ไม่แ บ, บ่งคำเดี๋ยวบอกว่าไม่ต้องทําเดี๋ยวคนที่เข้าเชื่อเขาจะเขาก็จะไม่สบายใจนั่นเราทับตาทับเชื่อเรามันก็แค่นั้นแหละทําแล้วสบายใจก็ทําไป คุณยายเคยสั่งไว้ก่อนเสียว่าถ้าท่านไม่ไหวอย่าพาไปโรงพยาบาลใส่ท่อต่างๆให้ปล่อยท่านไปแต่เราทนเห็นท่านทรมานไม่ได้จึงพาไปใส่ท่อทุกอย่างแต่ท่านก็จากไปจะเป็นบาปติดเราไปไม่คับที่ขัดคำสั่งท่านครับก็เป็นการไม่เคารพท่านไม่เชื่อฟังท่านแสดงว่าดอลด์เอารัดจตัวเราเองไม่คิดถึงใจของท่าน ท่านต้องการทําแบบนี้แต่เราก็อยากจะทําแบบนี้ทั้งทั้งที่เป็นร่างกายของท่านซึ่งไม่ถูกเมื่อมันเป็นร่างกายของท่านท่านสานั่งไว้อย่างไรก็ต้องถอยเป็นไปตามที่ท่านสาั่งถือว่าถูกต้องถ้าเป็นร่างกายของเราง่าย เ, เรื่องหนึ่งถ้าเป็นร่างกายของเราเราจะไปโรงพยาบาลก็ได้ไม่ไปก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของเราแต่ร่างกายของคนอื่นเราก็ต้องฟังคําสั่งของเขา คุณแม่ไม่สบายอยู่ i อซมาเดือนกว่าแล้วอยากจะส่งพลังใจให้แม่ต้องทำอย่างไรครับทำไม่ได้หรออยู่ซีก็ไปเยี่ยมบ่อยๆนะกลัวตายกลัวเป็นโรคร้ายพยายามสอนตัวเองด้วยการท่องว่าตายแน่ๆแบบนี้อยู่ตลอดเวลาถือว่าถูกทางไหมครับก็อยู่ที่ว่าใจเราสงบ ม, มใจเราเราพร้อมที่ยอมยอมรับความจริงนรือไม ถ้าพร้อมก็ถูกทางถ้ายังไม่พร้อมก็ยังไม่ถูกเปิดร้านโชห่วยจำเป็นต้องขายเหล้าบุหรี่บาปไหมครับถ้าเราไม่เดเมงไม่บาปเราแต่เป็นการส่งเสริมให้คนอื่นก็ไม่ไม่ทำบาปแทนทำบุญโดยบริจาคเงินให้มูลนิธิต่างๆเช่นช่วยไฟไหม้ช่วยน้าท่วมช่วยเหลือคนลำบากภายหนาวสามารถอุทิศบุญกุศลให้บิดามารดาได้ไหมครับ ได้มันก็เป็นทานเหมือนกันเป็นการให้เหมือนกันตักบาทแล้วจําเป็นต้องกวดน้ํำไหมครับไม่จําเป็นออยากจะกวดก็กวดได้ไม่กวดก็กวดได้ไม่ ก, ก็ไม่กวดก็ไม่ต้องกวดเราต้องเปล่งวาจาอาราธนาศีลห้าทุกวันไหมครับเพราตั้งใจจะสืบศีลห้าทุกวันครับไม่ต้องอ่เพียงแต่เป็นงครั้งเดียวตอนที่เราเริ่มต้นนะ อ่าเป็นนี้เราจะรักษาสินหน้าไปทุกวันก็ก็จบก็เสร็จแล้วอยู่ที่การรักษาไม่อยอยู่ที่การเปล่งวาจาเปล่งแล้วไม่รักษาก็ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไ ร, รไม่เปล่งแต่รักษาอันนี้สำคัญกว่าอยู่ที่การรักษาแล้วไม่รักษาไม่ค่อยเข้าวัดเท่าไหร่แต่คิดดีทำดีอย่างนี้ได้บุญไหมครับได้คิดดีทำดีพูดดีก็ได้บุญ การที่เราอยากเตือนคนไข้ที่ฉีดวัคซีนไปให้เขาล้างพิษที่เกิดจากวัคซีนแต่ขัดแย้งกับความเชื่อของหมอคนอื่นที่รักษาเขาอยู่แบบนี้เราควรพูดเตือนคนไข้เราไหมครับงั้นแล้วแต่เมานหน้าที่ของใครที่เราพูดถ้าไม่ใช่หน้าที่ของเราเราก็ไม่ควรพูดผู้พิพากษาตัดสินประหารชีวิตคนเป็นบาปไหมครับบาป ภขาสัให้เขาฆ้านดยตัวเองไม่ได้ค่าแต่เป็นคนสั่งให้เขาฆ้าก็บาปอยู่ตอนนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ครับจะวางใจอย่างไรถ้าคนรอบข้างไม่ค่อยชอบเราและชอบพูดทําให้เราเครียดตลอดครับทำใจเฉยๆทำใจให้สงบพูดโต้พูดโธไปฝึกสติฝึกสมาธิไปพิจารณาปัญญาว่าคนรอบข้างเราเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศห้ามเขาไม่ได้ คนจะตกแด่จะออกนี่เราห้ามไม่ได้เช่นใดคนรอบข้างเราก็จะพูดอะไรเราก็ห้ามเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาพูดไปแต่อย่าไปถือเป็นสาระละคกันถ้ารู้ตัวว่าเป็นโรครายแต่ไม่ต้องการการรักษาโดยปล่อยให้ตายไปอย่างนี้ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายหรือเปล่าครับไม่ได้ฆ่าตัวตายเพียงแต่ไม่รักษาเท่านั้นเองถ้าฆ่าตัวตายต้องเอา เอาฉีดยาเข้าไปทําให้ร่างกายตายหรืออะไรมาอุดจมูกทำให้หายใจไม่ได้ตายไปนี่ถึงเรียกว่าเป็นการฆ่าตัวตายสวดมนต์ในใจกับสวดออกเสียงอันนี้สงฆ์เท่ากันไหมครับในอันในใจยันดีกว่าเพราะจะไม่ต้องเหนื่อยเพราะว่าที่เราต้องสวด น, นานสวดมากแล้วก็ไม่ไปรบกวนชาวบ้านเาด้วยถ้าเราสวดออกเสียง ระหว่างปฏิบัติธรรมเกิดเดินเหยียบมดตายไปตัวหนึ่งเสียขาดหรือไม่ครับบาปมากไหมครับต้องทําอย่างไรครับอยู่ที่มีความตั้งใจหรือไม่ถ้าไม่มีความตั้งใจก็ไม่บาปไม่มีเจตนาโอวันนี้ตอบป้าอาจารย์ตอบได้ครบทุกคําถามเลยครับเดี๋ยวเวลาสามนาทีครับป้าอาจารย์ครับสมควรสรุปได้แล้วมั้ย อ๋อมีคำถามเพิ่มเข้ามาอีกเลยครับอาจารย์ครับการฉีดมอร์ฟีนให้คนป่วยตายไปแบบไม่เจ็บปวดจะส่งผลต่อจิตสุดท้ายอย่างไรไหมครับก็มันไม่ส่งผลเทลา่าไหร่หรอกเพราะว่าจิตสุดท้ายนี่ยมันอยู่ที่การฝึออกฝนอบรมมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะมาขึ้นเวทีเหมัอนนักมวยถ้าซ้อมมาดีมันก็มันก็จะผ่านไปได้ดีถ้าซ้อมมาไม่ดีมันก็จะผ่านไปได้ไม่ดี ให้ยึดที่การฝึกฝนอบรมในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ในขณะที่เรายังแข็งแรงอยู่แล้วพอเวลาที่เราขึ้นเวทีเราก็จะได้สามารถทําตามที่เราฝึกฝนมาได้คาถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับทําบุญแบบไหนให้ถึงผู้ร่วงรับครับก็ทำบุญใส่บาตรเนี่ยให้ทานตัวให้สังฆทานหรือบริจาคเงนให้นงพยาบาลนงเด่นก็ได้ โอกาสครับพระอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่ในเฟซ813ท่านในยู720ในคลับ10ในติกตอบ577รวมกัน 2,120 ท่านนะครับอ่านคำถามแรกเวลา20นาิ21นาทีผอาจารย์ตอบ107คำถามนะครับวันนี้ก็คนเข้ามาเยอะอาจจะเป็นพราะหัวข้อที่หัวตั้งไว้มั้เป็นนักทุกคนสนใจ ทุกคนจะต้องตายกันทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะทําำยังไงกับมันบังว่าคงจะเข้าใจวิธีการปฏิบัติต่อความตายก็คือเราต้องแยกใจเราออกจากร่างกายว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่เราต้องยอมรับความตายของร่างกายว่ามันเป็นสัตย์จะทำความจริงที่มันเราฝืนไม่ได้ถ้าไปอยากให้มันไม่ตายจะทําทให้เราทุกถ้าเราปล่อยให้มันตายยอมให้มันตายใจเราก็จะไม่ทุก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 ขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ